ความกลัวเนี่ยมันทำให้จิตเรมัดระวังจนกระทั่งเห็นตัวกลัวเนี่ยเนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับไปยังไงพอเข้าใจเสร็จแล้วมันก็รู้ว่าทุกสิ่งมันไปจากจิตของเราถึงยังเห็นไม่หมดจดแต่ก็รู้ว่าทางออกของมนะันออกมาจากจิตเนี่ยแม้พอรหันเนี่ยท่านก็ทันจิตของท่านพอรหรนันรู้ว่าทุกอย่างไปจากจิตอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลย ถ้าทันตรงนี้ปับ๊บความเป็นตัวตนดับพึบลงไปหมดเลยไม่มีเหลือก็แค่นั้นเองก็แค่จิตสร้างภาพลวงตามาหลอกลวงตัวเองอีกต่อไปไม่ได้ดูซิเนี่ยที่เป็นปัญหาก็คือจิตที่มันหลงแล้วก็สร้างเรื่องราวทั้งหมดในธรรมชาติอั น, นี้ขึ้นมาสร้างภาพลวงตาขึ้นมาแล้วก็หลอกลวงตัวเอง ต่างคนต่างสร้างภาพสร้างมายาการขึ้นมาแล้วก็หลงกระทํากันไปตามอํานาจความหลงนั้นนี่แหละความหลอกลวงของธรรมชาติแล้วก็เลยกลายเป็นโลกสังคตธรรมหรือว่าสังขารละโลกโลกที่มาจากการปรุงแต่งคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ทําลงไปคิดนึกปรุงแต่งทําไปเวียนไปเวียนมา ใครเข้าไปถึงพระนิพพานปุ๊บเมื่อไหร่คนที่จะถึงพระนิพพานก็คือเห็นที่ไปที่มาของเรื่องราวเหล่านี้หมายถึงพระโสดาบันบุคคลเห็นเริ่มต้นพับอย่างนี้ก็จะรู้ทางละโอ้วต่อไปเนี่ยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้อ ง, องนี้ต้องตามมันให้ทนันให้ทนันมันก็นจะใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปจาะเข้าไปหาจิตจาะเข้าไปสุดท้ายมันก็ไปดับกันเพราะฉะนั้นคนที่ เข้าสู่การศึกษาจะต้องไปเห็นด้านหนึ่งคือด้านที่ไม่มีการปรุงแต่งชั่วคราวนี่หมายถึงพระโสดาบันจกนับครั้งที่สองครั้งที่สามส่วนครั้งสุดท้ายนั้นเด็ดขาดเลยไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตต่อไปอีกความกลัวเนี่ยมันทำให้เราสำรวมระวังอย่างดีเลยเสร็จแล้วก็เห็นมันเกิดเห็นมันดับไปจึงทั่งจิตมันสามารถสรุปได้ มันก็มีปรากฏการณ์ที่เห็นความรู้สึกว่าไม่มีตัวเรานะชั่วคราวก็ยังดีก็จิตก็รู้ทางออกว่าเออมันจะไม่กลับมาเกิดอีกได้ยังไงออก็คือนี่แหะต้องหาทางดับมายาที่มันไปจากจิตเหล่านี้ความกลัวก็เป็นมายาอันหนึ่งมันหลอกตัวเองแล้วก็กลัวขึ้นมาไม่มีอะไรมาทำอะไรเราได้นอกจากจิตของเรา หมายถึงเามาทำลายจิตใจของเราเน่ยก็คือจิตของเราเองเพราะนั้นต้องรักษาจิตเอาไว้สติต้องดีให้สิ่งแวดล้อมที่มันน่ากลัวเนี่ยมันช่วยได้ประสบการณ์ในป่าช้าบ้างในป่าที่มันมีอะไรที่มันมีเครื่องทดสอบทดลองเนี่ยมันช่วยทําให้จิตเราซ้ํารวมระวังดี จิตของเรามันก็เลยได้เห็นความจริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่มันลัดสั้นเลยถ้าเราไปสิ่งแวดล้อมเดียวธรรมดามันก็ไม่ค่อยได้ระวังอะไรมากมายเหมือนเราอยู่กับบ้านกับเรือนอย่างเงี้ยมัน ก, ก็ปฏิบัติปลายเครื่องทดสอบมันก็ไม่ค่อยมีสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องมือที่จะฝึกจิตใจของเรา มันก็เป็นธรรมดาไป ม, มันไม่รู้สึกสำรวมระวังอะไรแต่ถ้าหากว่าเข้าไปในป่าจิตของเราเนี่ยมันก็จะมีปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเราก็ได้รู้ได้เห็นมันอย่างน้อยก็จิตของเรามันก็มีพัฒนาการขึ้นมาแต่ต้องเฝ้าดูแบบไม่คาดเคลื่อนไปไหน สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันไม่ดับไม่มีหรอกแต่ว่าบางทีมันก็มีพวกที่มันแทรกพวกที่แทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นเล็กน้อยมันจะสวมรอยทำให้ความน่ากลัวนั้นมันยิ่งใหญ่ก็มีอยู่ในธรรมชาติอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิบากอันหนึ่งเหมือนมีพระ อ, องค์หนึ่งท่านมาอยู่ก่อนเนี่ยละ่ะท่านบอกว่าท่านจะเดิน ตามบุตริกก็เดินธรรมดาวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ท่านก็จะไปที่ก้อนหินก้อนหนึ่งนั่นวะพอเข้าไปสักในระยะหนึ่งแล้วนี่ก้าวขาแทบไม่ออกมันเกิดความกลัวจับจิตจับใจแบบไม่น่าเชื่อมันกลัวขึ้นมาท่านก็ฝืนก้นกาวไปมันไม่มีอะไรทําไมต้องกลัวทําไมต้องกลัวท่านสู้กันสู้กันจนมันไปถึงก้อนหินได้มันก็เลยหายกลัวแม้แต่ในกุตินะมีบางครั้งนะ นานมาแล้วละออกมาจากกุฏิเนี่ยพุบพอเปิดประตูปุ๊บปุ๊บเข้ามานะเหมือนกลัวมันจะทำให้เรากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เรารู้ว่าจิตเราไม่กลัวแล้วเราก็รีบออกมากลัวอะไรมองเข้าไปในความมืดทุกอย่างกลัวอะไรกลัวอะไรหายไปเองคือเราอยู่เหนือมันเราไม่กลัวมันไม่ให้มันสร้างภาพมาหลอกลวงเราได้คือกลัวมนเราก็สวนทางกับมันเลยกลัวอะไร มองเลยมันกลัวความมืดแล้วมันทนํามีอะไรทำน่ากลัวในนี้ไม่มีพอเราเข้มแข็งกว่ามันเรายืดเหนือมันหายไแปบบถ้าไม่งั้นมันก็จะตามหลอกหลอนเรานะเพราะนั้นกลัวอะไรก็เข้าไปหาสิ่งนั้นเนี่ยมันก็มีประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นใครมาที่นี่ก็ยิ่งกลัวนี่ต้องแนะนําให้สู้กับสิ่งนั้นถ้าไม่สู้แล้วมันจะไม่หายไปไอ้สิ่งนั้นก็ซ่อนอยู่ในจิตของตัวเองตัวเองก็เก็บเอาไว้ อะไตัวนี้ก็พาวเวียนวหวยตายเกิดด้วยเพราะเราไม่ได้จัดการให้จิตของเราเนี่ยมีปัญญาเห็นมายาที่มันเกิดในจิตของเราว่ามันแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพรา ะ, ะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเป้าหมายก็คือเห็นความเกิดดับนี้เห็นความไม่มีตัวตนของสิ่งทั้งหลายเนี่ยปรากฏการทั้งหลายนี้เองเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็มันก็จะสูบลงตรงที่ว่าไม่มีอะไร เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราหนึ่ก็ลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนีย่ยเป้าหมายก็คือปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเพื่อการปล่อยวางนี่เองเพราะนั้นเรื่องของสมาธิเรื่องภาวะอะไรที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นเหมือนทางผ่านอันนั้นอันนี้เกิดขึ้นบางคนก็อยู่ดีดีแน่นขึ้นมาแน่นหน้าอกขึ้นมาเหมือนใจขาด กตตัดสินใจตายก็ตา ย, ตา ย, ตายทิ้งไปเลยจัดคำว่าตายกตาย็ตายในจิตก็เป็นกลางได้มันก็ไม่หวั่นไหวอะไรอ่ะเนี่ยถ้าเด็ดขาดลงไปอย่างเนี้มันก็อยู่กับจิตได้อยู่กับจิตได้ขณะเดียวกันมันก็เห็นด้วยว่าการเน้นก็อยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเองนี่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตไปพร้อมกันเลยแต่ว่ามันก็ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ว่าต้องละ ความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้คาจัดความยินดียินายไม่ว่าเรากำลังดูอะไรอยู่อะไรมันเกิดขึ้นมาต้องไม่ยินดียินร้ายกับปรากฏการเหล่านั้นท่านถึงว่าตามดูกายในกายเนืองๆมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติสรุปว่ากําจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้หมายว่ากาลังดูกายอยู่นี่แหละ มันก็ทําท่าเกิดจะให้เกิดความยินดีร้ายขึ้นมากําจัดมันเสียดูเวทนาใ น, ในเวทนาเนืองเนืองมีความเพียรมีสัมปัญญามีสติกําจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้กําลังดูเวทนาอยู่มันก็เกิดความน่ากลัวหรืออะไรขึ้นมาเกิดความหวั่นไหวอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็กําจัดความยินดียินร้ายที่มันเกิดจากเวทนานั้นเวทนา ความกลัวความกังวลความหวั่นไหวอะไรมันก็ไม่เข้ามาความยินดีร้ายก็ไม่เข้ามาในจิตของเรารู้จิตอยู่ตามดูจิตในจิตเนืองเนืองมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ดูจิตอยู่มันก็มีความยินดีร้ายก็เกิดขึ้นมาได้เรากาจัดมันตามดูธรรมกำจัดความยินดียินร้าย สรุปแล้วก็คือรักษาจิตเหล่านี่รัดสั้นที่สุดเลยตรงเข้ามารักษาจิตจิตมันอยู่ที่ไหนเวลาเราปฏิบัติมันก็อยู่ตามธรรมชาติของมันไม่ได้สนใจว่ามันอยู่ตรงไหนก็คือมันอยู่ตรงไหนก็ให้รู้จิตก็แล้วกันว่ามันไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็กลางๆอ่ะมันเป็นกลางๆอ่ะไม่ยินดีร้ายนี่หมายว่ามันเป็นกลางๆอ่ะสนใจแต่อาการของมันว่ามันไม่ยินดีร้ายเดี๋ยวนีสติอยู่ บางทีเรามีสติเราก็เฝ้าดูอย่างอื่นดูนู่นดูนู่นดูนู่นไปขณะที่เราดูดูอยู่นั้นจริงๆจิตของเราก็ไม like ่ยินดีไม่ยินร้ายแต่เรายังไม่เห็นจิตไม่ได้มองดูจิตกับอีกอันหนึ่งดูธรรมดาธรรมดาแต่ก็รู้ด้วยว่าจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้า์นะความลึกซึ้งก็ต่างกันอันหนึ่งน้ำมันปลาลบจิตเห็นภายนอกมันก็เห็นจิตตัวเองไปด้วยเห็นกายก็เห็นจิตไปด้วยเห็นเวทนาก็เห็นจิตไปด้วย เห็นธรรมก็เห็นจิตไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตนี่แหละที่ผู้เจ้าสรุปลงว่าจิตต้องรู้เลยว่าจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราได้กําจัดความยินดียินร้ายออกไปจากจิตเราได้แล้วถ้าใครปรลบจิตได้เนื้อคนนั้นก็มีธรรมแล้วเห็นจิตก็เห็นธรรมนี่แหละแต่ธรรมมันก็เออคันต้นๆไปเรื่อยๆก่อนเจะทั่งสามารถตัดสินลงไปเห็นอานิจังทุกขังอนันตาคือเห็นว่าไม่ใช่เราแจ่มแจ้งชัดเจน ครั้งที่หนึ่งมันสรุปได้ครั้งแรกรเรียกว่าพระโวสดาบาลบุคคลแค่นี้ก็ปิดประตูบายภูมิได้แล้วเนี่ยสามารถดับสังสารวัฏที่มันจะเวียนว่ายตายเกิดเหลือแค่เจ็ดชาติโอ้โหมันเบาไปเยอะเลยนะสังสารวัฏที่มันจะเวียนว่ายตายเกิดเหลืออีกแค่เจ็ดชาติเสร็จแล้วสังสารวัฏที่จะพาไปสู่บายภูมิก็ปิดเลยปิดด้วยแค่นี้มันก็คุ้มค่าแล้ว กับการปฏิบัติธรรมกับการที่ได้สู้กับตัวเองต้องได้อดทนได้สู้ได้ฝืนทนั้งที่เรารู้ว่า น, นี้เป็นแค่มายาการเป็นแค่สิ่งหลอกลวงเป็นภาพลวงตาจิตสร้างขึ้นมาเรารู้ขนาดไหนก็ตามแต่เวลามันกลัวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่ทำให้เราสู้ไม่ได้เพราะมันเป็นเราเป็นเราเรากลัว พอเราไปยึดความกลัวอันนั้นแต่ความกลัวนั้นมันมาจากไหนก็มาจากจิตของเราอะที่มันหลงอะยึดภาพที่จิตมันสร้างขึ้นมาเองมันสร้างมาจากความหลงทีนี้ถ้าหาว่าเราเห็นมันดูมันเฝ้าดูมันเกิดดับเดี๋ยวมันโผล่มาเดี๋ยวมันก็ดับแล้วค่อยสังเกตมันเกิดดับบางทีก็มีเสียงก้องแก้วอย่างนี้ก็บ้าบเข้ามาแล้ว เวลามันกลัวมันอะไรเนี่ยจิตของเรานี่มันเหมือนกับมันว่าเหมือนยันหล่นลงไปนูน่นตาตุ่มนู่นละ่ะถ้ามันรุนแรงก็แทบจะยืนไม่อยู่นู่นแหละแต่ถ้าเราอดทนไปมันจะเบาลงเริ่มลดกําลังลงโผมาเมื่อไหร่ก็เห็นเห็นเห็นเนี่ยความเกิดดับจากนัน้นก็ตัดสินลงไปตัดสินมันก็แสดงความว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรานั่นแหละ เห็นกายมันดับไปมันก็เห็นจิตด้วยกันจิตก็เป็นกลางอยู่เนี่ยบางคนก็ไปอยู่ป่าช้าในป่าช้านี่กับภูเขามันก็ต่างกันนะป่าช้านี่มันสิ่งแวดล้อมมันค่อนข้างต่ำอะภูมิมันต่ำอาการมูมบาบขยะขยิแงอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นเดี๋ยวถ้าสู้ไปมันก็ได้ประสบการณ์มมันก็ สุดท้ายก็ไปจากจิตเรานี่แหละและสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นเครื่องมือฝึกจิตเลยนะทำให้จิตเราสํารวมจิตเราระวังทําให้จิตตื่นตัวถ้าจิตมันเข้มแข็งขึ้นมากับกายดีสําหรับจิตไปเลยมันก็ได้ประโยชน์บางคนก็ความกลัวไม่มากแต่มันอาจจะไปติดอย่างอื่นยึดอย่างอื่นเป็นหลงอย่างอื่นเราก็ต้องรู้สิว่าเรามีจุดอ่อนอะไร เราก็ต้องเอาอันนั้นแหะมันเป็นเครื่องมือฝึกจิตเรานั่นจุดอ่อนก็ต้องเปลี่ยนเป็นจุดแข็งมันหลงก็เปลี่ยนเป็นให้มันรู้ขึ้นมาพลิกจิตเปลี่ยนจิตนี่แหละพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแล้วมันก็ต้องอาศัยจิตที่มุ่งมั่นด้วยไม่ใช่จิตอ่อนแอสร้างจิตให้มีพลังขึ้นมาเราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะมันสอนจิตเราต้องรู้ความจริงให้ได้ในเมื่อพระพุทธเจ้านั้นรู้ความจริงหมดจด จนไม่มีอะไรหลอกลวงจิตของพระองค์ได้แล้วหรือไม่งั้นก็เกิดมาแล้วมันไม่ตายไม่มีนี่นะอย่ากกินก็แค่ตายอะ่ะมัน้อไปกลัวอะไรยังจาได้ยัยโยมที น, นี้บวชชีแล้วมีโยมคนหนึ่งเขาอยู่โคราชโนนอาชีพพงแกกศทำพวกอะไพวกไส้กอกมีชื่อเสียงโคราช น, นะพวกไส้กลอกพวกม้ามอะไรอย่างเนี้ย ไปทางโคราชเรานั่งรถผ่านมันจะเห็นเป็นแถวเกล้กลนคืนมาเปิดไฟหมดทั้งบ้านนะแกไปเข้าห้องน้ำานี่โอ้โหเปิดไฟหมดเลยกลัวตั้งแต่เด็กแกมั้เป็นอาการทางจิตชนหนึ่งนะกลัวกลัวความมืดต่อมาก็กลัวทุกอย่างมาเมล็ดแกก็กลัวแกว่ากิง ก, ก, ก, กือแมงมุมกลัว ทุกแกจริงจกทุกแกกลัวหมดทีนี้แกก็อยากหายกลัวแกก็ไปสำนักแม่ชีแม่ชีก็ก็แนะนำว่าให้มาผู้ไม้หาวเนี่ยแกมาถึงแกก็มาแ ก, กว่าแกอยากให้กลัวกว็อธิบายให้แกฟังว่ากลัวอะไรต้องเข้าไปหา น, นั้นเราเคยเรียนจิตวิทยาวิชาจิตวิทยาเนี่ยเขาทดลองกัน เขาก็ฝึกจิตเหมือนกันแต่ว่าฝึกจิตอีกระดับหนึ่งอะ่ะเด็กมันกลัวกระต่ายเด็กกลัวกระต่ายเขาก็เอากระต่ายมาไว้ในห้องจากนั้นผู้ใหญ่ก็พาเด็กไปพาเด็กไปที่ห้องนั้นพาไปดูกระต่ายเด็กก็จะกลัวไม่กล้าเข้าไปในห้องแต่ผู้ใหญ่ก็เข้าไปเข้าไปแล้วก็ไปเล่นกับกระต่ายเล่นให้ดูเลยว่าไม่ได้มีอะไร เด็กก็ดูอย e ู่สังเกตการอยวันที่สองก็ไปอีกเอาเด็กไปอีกเด็กก็กล้าเข้าไปในห้องแต่ไม่เข้าไปใกล้กระต่ายผู้ใหญ่ก็ไปเล่นกับกระต่ายสนุกสนานวันที่3เด็กก็ใกล้เข้าไปอีกไปดูใกล้ๆผู้ใหญ่ก็เล่นกับกระต่ายพอวันที่4เด็กก็เริ่มเล่นกับกระต่ายพอวันที่5เด็กเข้าไปเองเลยเล่นกับกระต่ายได้เลย แนวมันก็จะค่อยๆขยับขยับสุดท้ายจิตก็มีความกล้าขึ้นมาความกลัวก็หายไปก็แสดงความกลัวไม่ใช่เราแต่ว่าจิตเนี่ยมันไปยึดเอาความกลัวว่าเป็นเรากลัวเราก็ต้องพยายามให้จิตมันเห็นว่าไม่ใช่เราความกลัวเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมาเกิดและต้องดับไป แล้วความกลัวนี้มันก็ติดอยู่กับจิตใจของเรามานานมากแล้วถ้าทางอภิธรรมเนี่ยเขาไม่เรียกว่าจิตนะไอ้ตัวกลัวเนี่ยเขาเรียกว่าเจตสิกพวกความโกรธอย่างเนี้ยเป็นเรียเจตสิกความเศร้าพวกเนี้ยน้อยเนื้อต่ําใจพวกเนี้ยไม่ใช่จิตแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเจตสิกคือสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตมาอาศัยจิตเกิดอาศัยจิตดับ เป็นเหมือนแขกเป็นเหมือนแขกจอเข้ามาแล้วเราก็ไปหลงยึดว่าแขกเป็นเราเวลามันกลัวมามันเป็นเราจริงจังเลยนะแต่ถ้าฝืนมันได้มันจะเบาลงเองบางอย่างที่คนหนึ่งกลัวอีกคนหนึ่งก็ไม่กลัวแล้วแต่กรรมของคนทีนี้พ โ, โยงคนนั้นมากับวันแรกก็อนนะใครเข้าไปในสวนผัก แต่ก่อนเนี่ยสวนผักเนี่มันิดต้นมะเขือมีพวกผักอะไรพวกนี้มันจะมีพวกผีเสื้อมันมาไขเอาไว้มันก็จะกลายเป็นตัวหนอนตัวหนอนก็กินใบมะเขือเพื่อที่จะมันเป็นดักแด้จริงจมันก็คือผีเสื้อไอ้ตัวหนอนเนี่ยแกก็เป็นกลัวตัวหนอนด้วยก็พาแกไปบอกให้แกไปเคี่ยดูเคี่ยดูแล้วก็ถามด้วยมันทําอะไรเรามันเล็กนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ตายแล้ว แล้วก็มันเปลี่ยนเป็นผีเสือ้อโดยสวยงามด้วยทาไมเป็นผีเสื้อเราไม่กลัวทาไมเป็นตัวนอนเราจึงกลัวแกก็ทำเขี่ยดูจากนั้นก็ให้จับแกก็ไม่กล้าจับก็เอาใบไม้ใบใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ไปวางบนตัวนอนแล้วก็จับใบไม้เห็ุมันดิ้นบ้างอะไรบ้างนะแกก็กล้าขึ้นจากนั้นก็ดูมแมลงดูนั่นดูนี่ไปกลัวจริงโจกตุกแก ค, ค ไปดูหมดอ่ะในสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะพวกเล็กๆน้องๆก็หายหมดเลยความกลัวของแกเหลือความมืดเหลือความมืดอันเดียวที่แกะกลัวมาตั้ง60สปีความมืดก็แก่แกเดินจงกลมพอมืดแล้วก็เริ่มเดินจงกลมบนทางจงกลมจุดไฟแล้วก็เดินเดินชั่วโมงหนึ่งวันแรกอนุญาตให้ไปนั่งใต้กุฏิก็ได้หรือบนกุฏิก็ได้ แกก็ขึ้นไปนั่งบนกุฏิแล้วแกก็นอนของแกวันที่สองเนี่ยไม่ขึ้นกุฏิแล้วให้นั่งเดินเสร็จให้นั่งในทางจงกลมแกก็ทําได้วันต่อมาให้แกออกเลยแต่ก่อนเนี่ย ไ, ไอ้กุฏิเซนสนับป่าไม่ก็เยอะหรอกให้แกไปหน้าผาไปเดินจงกลมแล้วก็นั่งสมาธินาผาเสร็จแล้วตื่นเช้ามาแกม า, าแกบอกโอ้โหงงูอยู่ได้ตั้ง60ปีพูดอย่างนี้เลยนะ หมายว่าความกลัวมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันลดกําลังลงไปจากนั้นก็ไปไหนก็ได้เข้าป่าก็ได้ไปคนเดียวก็ได้ตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นอนว่าอยู่สิบวันพิชิตความกลัวได้คือมันกล้าขึ้น่ะเกก็อยู่ไม่รู้เก๋อยู่นานแค่ไหนตอนนั้นนะต่อมาเก่ก็กลับไปกลับไปบ้านในสักปีหรือสองปีก็ได้ข่าวว่าแกบวชชี เดีย๋ยนี้ก็ยังบวชียอยู่จะประสบการณ์ดีแกได้ฝึกแะได้เห็นจิตของตัวเองรู้เท่าทันมายาที่จิตมันสร้างขึ้นมานี่ละทางภาษาอภิธรรมเขาเรียกว่าเจตสิกมันมาปรุงแต่งจิตเนีย่ยเขาจึงเรียกสังขารละขันมันก็คือขันหนึ่งของขันห้าเนี่ยการทํางานของขันห้าขันห้ามันก็เกิดดับ แต่เราทําไม่ทันมั น, ม, นมันก็กลายเป็นเราขึ้นมาเจตสิกคือธรรมชาติอันหนึ่งที่อาศัยจิตเกิดแล้วก็อาศัยจิตดับแล้วมันก็มาเป็นคุณสมบัติของจิตเราอย่างเช่นความกลัวอย่างเงี้ยมันมามันก็จะมาปรุงแต่งจิตทําให้จิตเป็นจิตที่กลัวขึ้นมาแต่จิตจริงๆไม่ได้กลัวหรอกจิตเนี่ยมันแค่เป็นาธาตุรู้เฉยๆเป็นาธาตุรู้ สมัยปฏิบัติอยู่ช่วงที่ปฏิบัตินั่งสูเวทนานั่งตั้งแต่หัวค่ําไปเรื่อยมันก็เจ็บขึ้นมาเจ็บทนสู้สู้ไปดึกเข้าดึกเข้ามันก็เจ็บมากอ่ะมันอยากร้องไห้อ่ะมันอยากร้องไห้ขึ้นมามันก็ถามว่าอะไรร้องเราก็มีความรู้ว่าจิตมันเป็นาธาตุรู้เนี่ยแล้วอะไรร้องจิตมันก็ตอบมาว่า กิเลสมันอยากร้องถ้าอย่างนั้นร้องเลยปล่อยมันก็ร้องมันก็เหมือนไม่ใช่เราจริงๆมันก็ร้องไปมันก็เป็นเรื่องร่างกายไปจิตนก็ดูอยู่ดูอยู่ปฏิบัติไปอีกมันก็หาย้ความไอร้องไห้มันหยุดมันปวดขึ้นมาอีกสู้กันไปอีกมันก็อยากร้องอีกแล้วอนนี้เมันกิเลสมันร้องร้องไปอีกปล่อยฝึกปล่อยร้องไห้ร้องก็ร้องอีกสุดท้ายมันก็สลัด ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเหมือนกันจิตมันก็เห็นมือกันโอ้พวกความทุกข์พวกอะไรทั้งหลายมันไม่ใช่เราจิตมันก็ไปถึงจุดหมายของมันเห็นเห็นภาวะมันก็รู้ทางของจิตทางเดินของจิตแต่การเห็นของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันน่ะแต่ถ้าได้เห็นแล้วจิตมันเหมือนกับว่ามันไม่ถอยอ่ะยังไงต้องปฏิบัติต่อไปช้าเร็วก็ไม่ทิ้ง ต้องเดินทางต่อไปเพราะนั้นถ้าเห็นครั้งแรกเนี่ยมันจริงสามารถตัดพบชาติในสังสา ร, รวัฏในวัฏสงสารเนี่ยหมดมหาสารในเห ล, ลือแค่เจ็ดชาติไม่เกินเจชาติและก็โดยเฉพาะปิดอบายภูมิเลยภาวะที่จิตจะไปสู่อบายภูมิปิดไปเลยปิดประตูเลยนั่นที่ว่าเจ็ดชาตินี่หมายว่าเขาจะต้องมาเกิด เป็นมนุษย์หรือเทวดาเนี่ยไม่เกินเจดชาติแต่นี่ถ้าเกิดเป็นเทวดาเนี่แล้วก็ไปเกิดเป็นพมชั้นสุตาวาสอันนี้เขาจะไม่นับนะพอไปเกิดพมชั้นสุตาวาสเนี่ยคือเขานับเฉพาะมาเกิดบนโลกพระไอ้พรมชั้นสุตาวาสนี่มันอาจจะไปตามลําดับนะเป็นพราะนาคามีคนที่เป็นพราะนาคามีไปเกิดพมชั้นสุตาวาสแล้วค่อยๆเลื่อนชั้นขึ้นไป ถ้าเป็นพระสกทาคามีปฏิวัติอีกเหมือนม า, าสู้ต่อไปอีกปฏิวัติต่อไปอีกนี่แหละเห็นพระไตรลักษณ์ชัดเจนแจ่มแจ้งอริยมรรลรวมเป็นหนึ่งสรุปลงไปตัดสินลงไปหนิริยสัจสี่ชัดเจนแจ่มแจ้งอริยมรรลรวมเป็นหนึ่งประหารกิเลสได้ครั้งที่สองเป็นพระสกทาคามีพระสกทาคามีตัดภพชาติออกไปพระสวสดาบาลเนี่เกิดไม่เกินเจ็ดชาติ พระสกทาคามีเกิดอีกไม่เกินสองชาติถ้ามาเป็นมนุษย์ในชาติเดียวเป็นมนุษย์ต้องบรรลุพระอรหันต์เลยพระสกทาคามีแต่ถ้าเป็นเทวดาอาจจะเลื่อนขึ้นไปเป็นพรหมชั้นสุทาวาตแล้วก็ผลถูกได้มันก็เลยเป็นสองชาติเพราะนั้นตัดไปห้าเหลือสองอย่างเก่งไม่เกินสองชาติแต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เกินหนึ่งชาติ ปฏิบัติไปอีกดูเนี่ยพยายามที่จะดูไอ้ไอ้มายาที่มันมาปรุงแต่งจิตนี่แหละมันไม่มีเรามันก็ต้องอันไรที่มันเป็นตัวตนก็ดูหมดละสิ่งที่มาสร้างความเป็นตัวตนขึ้นในจิตเราเนี่ยเช่นเราอยากันนั้นอยากนี้ต้องการนั่นนี่มันรายละเอียดของมันมีอยู่อะมันจะมีในขึ้นในจิตอ่ะอันไหนมันละได้มันก็เฉยมันไม่สนใจอ่ะมันก็จะเบาลงแต่มันก็ยังเหลืออยู่อ่ะ สุดท้ายกับบรรลุเป็นพระนาคามีไม่กลับมาเกิดในโลกเราอีกคือมันเห็นหมดรูปเสียงกินรสสัมผัสไม่เอาเลยมันก็เลยไม่จําเป็นต้องมาอย่างโลกนี้อีกพวกกรรมมาคุณทั้งหมดในโลกมันทิ้งหมดเลยรวมทั้งร่างกายด้วยปล่อยวางได้รวมทั้งพวกโทสะเนี่ยพวกปฏิฆะเนี่ยมันละได้แต่ยังละความสุขในสมาธิไม่ได้ พนาคามีเพราะว่นาคามีนี่มันจึงเข้าไปหลงอยู่ในลูประชานอัลูประชานเขาจึงเรียกว่าละลูประาคาอัลูประาคายังไม่ได้มานะก็ยังไม่ได้มานะคือยังไงอะสำคัญตนสําคัญตนพอกระทบตัวตนหน่อยสร้างความสําคัญขึ้นมาเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราต้องนั่นต้องนี่นี่แหละตัวมานะ ก็มายาอีกอันหนึ่งแต่ก็ยังหลงเนี่ยหลงหลงภาพที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเนี่ยดูมันมีความสำคัญดูมันยิ่งใหญ่ดูมันสวยงามแต่ธรรมะมันมองดูแล้วนี่มันมันก็เห็นอ๋อ เ, เนี่ยคือมี mana ม, มีความสำคัญตนสำคัญมั่นหมายมาเป็นตัวเป็นตนยิงตนมันไม่มีแต่ดูซิมานะมันก็สร้างขึ้นมาได้ สร้างขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งอุทัจจะอุทจจะเนี่ยมันไม่ได้ฟุ้งซ่านเหมือนกับผู้ทชนทั่วไปปรุงแต่งเรื่องนั้นอย่างนี้อันนี้นปรุงแต่งเพื่อจะดับไอตัวตนนั้นอีกทีนึงมันยังมีตัวตนก่อตัวขึ้นมามันก็ปรุงแต่งเพื่อดับตัวตนนั้นเขาเรียกอุทจจะมันยังมีงานทําอยู่นี่ว่านาคามีจะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องดูรายละเอียดในจิตเนี่ยไม่มีตัวตนพวกนี้ เพราะนั้นมันจึงมีลูปราคะอัลูบราคะมานะอุทัจจะแล้วก็เบื้องหลังขก็มันคืออวิชชาเนี่ยพวกนี้แหละมันมาจากตัวอวิชชานั่นเองเนี่ยมันจะดับอวิชชาทั้งหมดแหละถ้าทันพวกนี้มาออกไปจากจิตเรามันก็จะดับได้เพราะนั้นต้องอย่าไปหลงมันดิถ้าใครดับได้เร็วมันก็เร็ว มังคนกับธนุธนอมสร้างขึ้นมาเอ้ยเราสาคัญอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเราเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยมายาสร้างมาจากความหลงบางทีก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราสูงกว่าเขาเพราะว่าสูงกว่าเขาบับท่าทางมันก็ออกท่าทางก็ต้องยืดขึ้นมาหน่อยคาพูดคาจา ก, กา็กระด้างกระด้างกระแทกกระแทก เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเราเหนือกว่านี่พวกนี้มานะหรือถ้าเสมอเขาบางทีเราด้อยกว่าเขาก็คิดว่าเราเสมอเขาก็ไปตีตัวเสมอไปเล่นไปหัวไปหยอกไปล้ออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะจิตมันมีความเปรียบเทียบขึ้นมาแต่บางทีมันก็เสมอกันจริงๆเ่ยเสมอกันก็รั่วเสมอกันก็จบเหนือกว่าก็รั่วเหนือกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรด้อยกว่า ถ้ามันรู้สึกว่าด้อยกว่ามันก็จะหดหดเหมือนไอ้พวกสุนัขเวลามันเห็นกันตัวหนึ่งมันจะหดหดหางมันหดหางพอตัวหนึ่งมันแห่ใสมันก็ล้มลงนอนหงายท้องยอมไอ้พวกนี้มันมีมานะมันก็เปรียบเทียบมันก็รู้ว่ามันเนี่ยมันอ่อนกว่ามันด้อยกว่ามันก็ยอม ลดหูลดหางลงไปนี่พวกนี้มาจากกิจหมดเลยมันยังมีอาการออกมาจากกิจมีพวกอาณาคามีแล้วก็มีอาการพวกนี้แต่ว่าถ้านเห็นละเอียดแล้วก็ตามดูมันบางทีก็ยังไม่ทั น, นก็มีมันก็ยังต้องตามดูไปมันก็ละเอียดเข้าไปดูลงไปมันก็เบาลงเบาลงเบาลงเนี่ยน้อยลงน้อยลง จุก็ละได้หมดนสมาธิก็ไม่ติดมันจะเข้าไปจ่ออยู่นิดหน่อยก็ไม่ได้ต้องดูรอบดูรอบเลยเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตอยู่อย่างนั้นละ่ะไม่ปล่อยให้มันาดไปจากจิตตัวเองจะไปแช่อยู่นิดนึงก็ติดนิดนึงไม่ได้เนี่ยพระอนาคามีจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่แช่ไปจ้องไปจดไปจ่อแบบชนิดที่ไม่รู้รอบ มันยังมีความหลงซ่อนอยู่ขนาดนั้นเลยนะมันยังพอใจในสมาธิถ้าเป็นรูปฌานมันก็เนี่ยละรู ป, ประคะถ้าเป็นอรูปฌานก็เป็นอรูปประคะนีมันก็ยังจะปุงแต่งเพื่อจะดับตัวตนอเรียกว่าอุทจจมีมานะสาคัญตนอันอื่นมันไม่มีแล้วมันก็มีแต่จิตมีเรื่องราวของจิตเท่านั้นเอง นี่แหละยุบยิบยุบยิบอยู่ในจิตมันตามกันธรรมะมันก็ตามกันเหมือนกันตามคอยบอกคอยสอนอยู่อบรมเพื่อจะละมันมันยังมีงานทำมันยังมีอุทัจักมันยังไม่จบถ้าจบปุ๊บลงไปมันจะเฉยเลยราบเรียบไม่ปรุงคิดก็รู้ว่าคิดคิดก็เป็นแค่สังขารเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่คิดคิดอยู่แต่ว่าคิดแล้วก็ดับไปเฉยคิดจบแล้วก็เฉย แล้วก็คิดมันเหมือนกับว่ามันมันไม่ได้คิดเหมือนคนทั่วไปอ่ะเหมือนจิตมันก็มีความนิ่งแน่วแน่อยู่แต่มันก็มีความคิดได้อ่ะความคิดก็เลยกลายเป็นสังขารเพราะจิตมันแน่วแน่อยู่ความคิดก็มีอยู่มันก็เห็นตัวความคิดเมื่อมันคิดแบบมีสติมีสมาธิอยู่ในกรอบของสติเลยอยู่ในกรอบของสมาธิปัญญาด้วยแล้วก็เห็นมันเกิดดับไปใช้ ความคิดใช้สังขารเกิดประโยชน์และก็วางเอาไว้พวกปนยญงปัญญาเป็นสังขารหมดและแต่เป็นสังขารฝ่ายดีเพื่อที่จะทำให้จิตเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาถ้าสังขารฝ่ายไม่ดีเป็นพวกกิเลสต้องดิ้บทั้ง ท, ทันทีตามไม่ได้ทำตามมันไม่ได้มันจะชุดลากดึงจิตเราให้ลงต่ําหยุดทันทีเลยใครหยุดได้เร็วเรื่องราวภายในจิตก็ลดลงไป มันยังต้องอาศัยจิตที่เข้มแข็งถ้าใครปล่อยไหลไปตามกิเลสอุ้ยกิเลสก็เยอะขึ้นน่ะอ้วนพีแล้วมันจะจากไปได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดับกิเลสให้เร็วละความหลงให้เร็วก็ต้องเข้มแข็งอันไหนไม่จําเป็นต้องรีบหยุดมันตัดมันอันไหนเป็นภาพลวงตาก็รีบสลัดมันไปนี่มันก็จะมาเห็นชัดเจนหมอ มันไปจากจิตทั้งหมดเลยสุดท้ายจิตนี่แหละมันจะสร้างภาพลวงตาขึ้นมาเพราะเวลามันจะดับมันจะเห็นอาการที่มันมันตามดูมันจะตามดูอะไรสักอย่างหนึ่งสุดท้ายมันไปทันปุ๊บลงไปมันจะมาจากจิตหมดเหมือนความกลัวที่มันออกไปจากจิตไอ้ส่วนหยาบๆเนี่ยมันออกไปจากจิตที่แหลกมันเห็นส่วนหยาบๆเหล่านี้แจงก็ไปเห็นส่วนละเอียดละเอียดอยู่ในจิตเนี่ยทุกอย่างไปจากจิตหมดเลยมันจอดูแม้แต่ความว่างว่างก็รู้ว่าว่าง ตัวรู้ว่างรู้เข้าไปรู้เข้าไปสุดท้ายเป็นอันเดียวกันเออมันไปยากิดนี่นาเพราะนั้นทุกเรื่องมันก็เลยสรุปได้ทันทีไปยากิตเองนะมันก็ไม่ติดข้องอะไรไม่ยึดอะไรแล้วนี่แหละพวกขั้นสุดท้ายความสุขในสมาธิเนี่ยพลาหันละได้ความสุขจาัการามมาคุณทั้งหลายเนี่ยภานาคามีละได้แต่การที่เราพยายามที่จะเอาชนะใจเราบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นทาง ทำให้เราเนี่ยจิตใจมันละเอียดขึ้นคนที่ปฏิบัตินี่ต้องอาตาปีเพียนเผากิเลสให้เราร้อนมันเป็นช่องทางหนึ่งช่วยทำให้จิตมีกําลังสัมปชาโนมีสัมปชัญญาสติมามีสติเพราะมันเป็นความเพียรที่จะต้องเอาชนะกิเลสเราถ้าเราเอาชนะกิเลสเราได้มันจะสงบสงบจากกิเลสเพราะถ้าเราตามใจกิเลสมันไม่สงบหรอก เพราะกิเลสมันสร้างเรื่องอยู่ในจิตเราอยู่สมาธิมันก็ไม่เกิดเพราะกิเลสมันครอบงําจิตอยู่ตรงละกิเลสให้มันได้เพราะนั้นการละกิเลสนี่มันก็ทําให้มีสมาธิขึ้นมาเพราะนั้นสติต้องทันว่าอันนี้มันมันเป็นภาพลวงตาแล้วเป็นมายาแล้วไม่ได้มีตัวตนพอมันละได้จิตก็เข้ามาอยู่ข้างในพอทละไม่ได้จิตมันก็ไปปรุงแต่งจะเอา จะเป็นนั่นเป็นนี่ห้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ปรุงแต่จิตมันก็ไม่สงบพร่มน่ะไปจากจิตมันออกไปจากจิตผลถ้าตามดูปั๊บมันจะออกคุมไว้มันจะออกคุมไว้มันก็อยู่ในจิตเราเนี่ยมันก็ตัดเรื่องราวทั้งหลายที่มันจะมาดึงจิตเราออกไปจิตเราก็อยู่กับตัวเราขึ้นมาจะเดินก็มีสตินี่เขาถึงว่ามีสติรู้จิตตัวเองก็อาศัยร่างกายให้จิตมันอยู่กับกายอะไรอย่างเงี้ย พจิตมันดูจิตบางคนมันก็หลุดง่ายอ่ะเพราะมันหลุดง่ายมันต้องมาอยู่กับอิยาบทการเดินบ้างการเคลื่อนไหวอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปเห็นจิตอีกที่หนึง่งมันจึงต้องตามดูกายด้วยตามดูเวทนาบ้างตามดูจิตบ้างสุดท้ายก็ต้องเห็นเป็นอันเดียวกันหมดะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตอันนี้หมายว่าจิต ท, ที่มันมีกําลังแล้วคนที่จะใกล้จะบรรลุธรรมก็จะต้องเห็นแบบนี้ เห็นรอบเห็นใกล้เคียงกันความลยเาียดตามกันแต่ว่ามันก็เห็นแบบรอบเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติผู้ที่จะบรรลุพระโสดบาบันก็คือละความเห็นผิดได้ละสักกายะทิฏฐิได้สักกายะหมายถึงว่ากายะนี่เมื่อว่าสิ่งหลายอย่างมารวมกันเป็นเราก็คือเห็นขันหานี่แหละ ว, ว่าเป็นเราสักนี่ก็คือเรากายะนี่สิ่งที่มารวมกัน ความเห็นผิดสิ่งที่มารวมกันว่าเป็นเราเขาจึงเรียกว่าละสักกายะทีทิได้ก็คือละความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาพอเห็นมันเกิดดับเนี่ยจึงละความเห็นผิดได้ว่าจริงไม่ใช่เราเลยมันจึงต้องเห็นพัตไตรลักษณ์มันต้องเฝ้าดูเพราะนั้นต้องหลอกให้มันออกมาไอ้ตัวตนทั้งหลายเนี่ยมันโผล่มาเลยจะได้ดูมันจะได้เห็นภาพลวงตาอันเนี้ย ที่มันความเห็นผิดว่าเป็นเราเนี่ยแต่มันก็เกิดดับชัดเจนอย่างนี้มันก็อ้มันไม่ใช่เราเลยเนี่ยมันก็วางละได้เพราะฉะพระโสดาบันเนี่ยจึงละพวกกรรมมาคุณทั้งหลายไม่ได้บางคนจะเป็นละเลยมันก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะละได้แต่ก็ถ้ามันมามันก็ต้องพิจารณาดูกันนะเหมือนกันนี่ยดูว่ไอ้ความรู้สึกเนี่ยเวทนา รสอร่อยของมันไม่ใช่เหลียงกันต่อมาละเอียดเขามันก็เห็นนะอีกว่ามันเป็นแค่เวทนาทางกายและจิตไปยึดไว้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเวทนาจิตบางอย่างก็เป็นเวททางจิตมีอุปทานในเรื่องอะไรแล้วก็เอามาปรุงแต่งสุดท้ายมีแต่เรื่องปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้ไม่ได้มีอะไรเลยของปรุงแต่งอยากนั่นอยากนี่มันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความคิดอะคิดก่อน คิดจะเอานั่นเอานี่ก็คิดบอกมันจะทำให้เราดูดีทำให้เราสวยเรางามทำให้เราสุขสบายเนี่ยก็คือเนี่ยแหละเบื้องหลังมันก็คือตัวตน <aze> ตัวเรา ต, ตัวเราตัวเราทาเพื่อตัวเราทำเพื่อตัวเราเนี่ยเขาจึงว่าเอาวิชามันหลงว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเพราะมันไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนมันเกิดดับเป็นมายากาลนี่อะไรไเห็นทุกข์เห็นเป็นกระแสความเกิดดับ พสุเดบันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งและสักกายทิฐิได้เนี่ยแหละผู้ที่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งพอเห็นแบบนี้ปึ๊บลงไปเท่านั้นแหละมันชัดขึ้นมาในจิตแล้วเนี่ยท่านก็หมดความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติของตัวเองหมดความลังเลสงสัยในคุณพระเจ้าพระธรรมประสงค์จึงศรัทธาเลื่อมใสชนิดไม่หวั่นไหวอีกต่อไปละจะให้ไปเขารบนับถือลัทธิอื่นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันชัดอยู่ในจิตแล้ว ความจริงที่ตัวเองเห็นมาเนี่ยประจักษ์ใจมันไม่ใช่ว่าคนอื่นบอกคนนั้นบอกคนนั้นเล่าแต่มันเห็นด้วยจิตตัวเองมันไม่ได้มีเหล่ามีละสักกายทิฏฐิได้ความเห็นผิดแล้วจะกลละวิจิขิจฉาได้ความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธธรรมะทรงจึงเขาลบเลื่อมใสพระพุทธเจ้าชนิดไม่หวนไหว เขาลบพระธรรมชนิดไม่หวั่นไหวเขาลบพระสง์ไม่หวั่นไหวหมายถึงพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบฏัติปฏิปเทวชอบจะไม่มีความหวั่นไหวเลยรู้ว่าจริงแท้แน่นอนเพราะจิตตัวเองมันเป็นขึ้นมาแล้วเชื่อมันเลยผู้ที่ตั้งพ้ทุกข์ต้องมีแน่ผู้ที่สูงก็เราต้องมีเราก็ต้องปฏิบัติต่อไปจะถอยหลังอีกไม่ได้แล้วพอรู้แล้วว่าความหลงเนี่ยมันจะหลอกเราเราไม่ให้มันหลอกอีกต่อไป มันก็จะละศีลพัตตปลา마ได้ศีละก็หมายถึงศีลพัตระเนี่ยหมายถึงสีพศข้อปฏิบัติปลามาสะปลามาเนี่ยมาจากเขามาปลามาสะแปลว่าเห็นผิดไปจากจุดประสงค์ดั้งเดิมจุดประสงค์ดั้งเดิมการรักษาศีลเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อละตัวละตนนี้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เพื่อไปถึงพระนิพพานข้อปฏิบัติทั้งหมดต้องเพื่อไปสู่พระนิพพาน มีความเห็นหนั่งเดิมต้องเป็นอย่างนี้ที่ผู้เจ้าสอนทีนี้ความเห็นผิดมันก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นศีลรัตตปรามาเนี่ยรักษาศีลก็จะไปเกิดสวรรค์อยากให้คนยกย่องสรรเสริญโอ้รักษาศีลนี่มันดีถ้าติดอยู่แค่ดีอย่างนี้ก็เป็นศีลพัตตปรามาต้ตองศีลาา ต, ต้องเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานของสมาธิปัญญาเพื่อออกจากทุกข์ ปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิก็เป็นป่าฐานของวิปัสสนาเพื่อละตัวละตนอันนี้เพื่อถึงฝั่งพระนิพพานอย่างนี้เขาเรียกว่าละศีละปตปรามาได้แต่ถ้าใครโอสมาธิก็มันสงบมันสุขมันสบายหรือเห็นนั่นเห็นนี่หรือว่ามีกําลังของจิตหรือว่ามีอภิญญามี อะไรต่ออะไรมากมายไปอยู่แค่นี้อันนี้เรียกว่าเป็นศีละพัตตปามาณถ้ถามันมีก็รู้ว่ามันมีมันก็ไม่เป็นไรมันมีระดับไหนเราก็ต้องรู้ด้วยว่าตัวเราเนี่ยคุณสมบัติพิเศษที่เราเคยฝึกฝนอบรมมาในอดีตอะ่ะมันมาปรากฏมันได้มากได้น้อยแค่ไหนเราก็รู้ว่าอ๋อเราเนี่ยบารามีของเราได้แค่นี้เองได้ขนาดนี้ก็ไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครอะ่ะ มาเอาเราสร้างมาแค่นี้ก็พอแล้วไม่มีทุกข์ในใจก็ดีแล้วเพราะนั้นพระโสดาบันเนี่ยละศีลพัตปราหมาดก็คือไม่ใช่รักษาศีลเพื่อไปสวรรค์เพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญเพื่อไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าเราดีกว่าเขาหรือเพื่อหวังผลอะไรตอบแทนอุ้ยเรารักษาศีลแล้วมันจะได้แก้ขัดทําให้เราไม่อยากจนทําให้ล้อล่ำรวยเพราะว่าได้ยินว่าศีลทําให้เกิดโภคทรัพย์ทําให้เกิดความสุขทําให้ถึงปณิพาน แบบไม่ไม่ได้เข้าใจแบบหวังหล่ำหวังรวยไปจากศีลไปอย่างนั้นฮะแต่โดยธรรมชาติผู้รักษาศีลเนี่ยมันก็มีจริงทำให้เกิดพวกขั์คนก็นึกไม่ออกหรอกบอกไอ้รักษาศีลแล้วมันจะมีรัพ์ได้ยังไงะแต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะมันเป็นความดีที่มีคุณค่าต่อจิตใจสูงมากธรรมชาติอันนี้มันก็มีทางทางเดินของจิตที่มีความฉลาด โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้ท่านรู้ว่าคนที่รักษาศี น, นมันเป็นทางมาของความดีรวมทั้งพวกโภคทรัพย์อะไรด้วยมันก็จะมีมาของมันเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วปัญญาของคนทั่วไปมันจะไปรู้ได้ยังไงมันจึงต้องอาศัยเชื่อพระพุทธเจ้าในเมื่อพระเจ้าตัดแล้วมันต้องจิงศีลต้องทาให้เกิดโภคทรัพย์ได้เชื่อมลงไปเลย เราก็รักษาศีลแต่ถ้าเอาแค่นี้ก็เป็นศีลละพัฒนาฐานต้องเป็นบาตรฐานของวิปัสนาวิปัสนาปัญญาคือเห็นว่ามันไม่มีตัวตนน่ะมันเกิดแล้วก็ดับไปอ่ะไม่มีตัวตนมันคลายออกเพื่อการปล่อยวางนีความเห็นนนี้ถูกต้องตามความหมายดั้งเดิมที่พทะเจ้าประกาศคําสอนของพระองค์ศีลสมาธิปัญญา ข้อปฏิบัติเพื่อให้จิตเป็นสมาธิก็เป็นบาดฐานของวิปัสนาของปัญญาญาณเพื่อให้จิตคลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นผลข้อปฏิบัติศีลรวมทั้งข้อปฏิบัติทั้งหมดที่เราปฏิบัติมาก็เพื่อความพ้นทุกข์คือพระนิพพานอย่างนี้กันละพระโสดาบันจะละได้ผลจิตของพระโสดาบันมันไม่ถอยหรอกมันก็ต้องหนุนเพื่อออกจากทุกข์เพราะว่าท่านมีความเห็นถูกตรงแล้วเพราะท่านละความเห็นผิด ที่หลงว่าขันห้าเป็นเราเป็นของเราแล้วนี่ความเห็นถูกต้องมันจึงทําให้เชื่อตามพระพุทธเจ้าอันนี้มันเห็นด้วยจิตเนี่ยมันเชื่อด้วยจิตเพราะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของพุทโธดับันเนี่ยถับมองว่าเออหนึ่งก็นีรลสักการได้ได้พูดถึงสังโยชน์ละได้สมอย่างพระสักยทิฐิได้วิจิกิจฉาได้ละศีลละพัตปรามาณได้แต่ก็ยังมีละไม่ได้เช่นการมมราคฆาพวกโทสะ นางวิสาขานี่เป็นพระโสดาบันมีลูก20คนลูกแต่ละคนก็มีหลานอีกแล้วมีหลานคนหนึ่งอ้ยฉเฉลียวฉลาดมากนางนี่รักตั้งไว้ในตำแหน่งแทนนางเลยนะทำบุญนี่แลเป็นตัวแทนนำใส่บาตรแทนเวลามีอะไรเนี่ยให้หลานคนนี้นำรักมากไว้เนื้อเชื่อใจด้วยวันหนึ่งหลานก็ตายหลานคนนี้ตายร้องไห้พระโสดาบันนี่ยมันยังมีความเศร้าโศก ลองให้ผมเฝ้าปล่อยให้มันกระจายไม่เรียบร้อยน้ําตานองหน้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตามที่นางจะไปตอนเช้ากับตอนเย็นวันนั้นไปตอนกลางวันเลยทําใจไม่ได้ไปถึงพุทิเจ้าก็เห็นหน้ า, าว่าอยังไงนางวันนี้ทําไมมากลางวันละ่ะตามที่เธอมาตอนเช้ากับตอนเย็นน่ะมาถวายพัตตาหานมาถวายของขบของฉันพระแล้วก็มาฟังธรรม แต้ววันนี้ทำไมมากลางวันละ่ะหลานดิฉันที่รักมากที่สุดตายลงลหลานคนนี้โอ้ยดีมากไม่วางใจทุกอย่างแล้วก็ตายทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่านางถ้าในกรุงสาวัตถีนี่นะมีคนอยู่เจ็ดล้านคนตอนนั้นนะมีคนอยู่เจ็ดล้านคน แล้วก็ให้เธอมีหลานที่ดีแบบนั้นละ่ะหลานดีๆแบบคนที่ตายนั่นน่ะเจ็ดล้านคนเลยเธอจะเอาไหมเอาพระเจ้าค่ า, าว์หเจ้าหลอกหลอกให้หลงว่าหลานเนี่ยอุย้ยดีเหมือนหลานเลยเจ็ดล้านคนเอาไหมเอาพระเจ้าค่าแล้วถ้าแต่ละวันมีหลานตายทีละคนทีละคนเนี่ยแล้วเธอจะไม่เศร้าใจไม่ร้องหงมร้องไห้ทุกวันเลยเหรอโอ้ยงั้นไม่เอาพระเจ้าค่าเนี่ยได้สติขึ้นมา ได้สติขึ้นมาเนีย่ยพระโสดาบันเนี่ยเขาจะไม่เวลาพูดจาอะไรนี้มันจะมีศีลอยู่ในตัวปุคมายาอะไรน้อยยังมีความร้องห่มร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจแต่ว่าท่านจะต้องมีศีลหน้าอยู่ในจิตคือจิตเนี่ยมันจะรักษาศีลหน้าเองไม่ต้องรักษาศีลศีลมันรักษาเองจะไปทําผิดจากศีลปั๊กไม่ได้มันหยุดมันไม่ทํา ในพระโสดาบันจะต้องระวังเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยจะอยู่สงบเย็นเนี่ยต้องเป็นสังคมที่อยู่ระดับพระโสดาบานันเพราะพระโสดาบันเนี่ยจะไว้ใจได้ในเรื่องศีลแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้โอโ้โหมีเรื่องราวเยอะกิเลสก็ยังเยอะความหลงเยอะมายาอะไรเยอะตัวตนเยอะผลปัญหาก็เยอะตามมาผลอยู่ในองค์กรไหนถ้ า, าว่ามีพระยาเจ้าระดับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป สงบราบเรียบเพราะศีลเนี่ยศีลห้าบริสุทธิ์เลยประเภทเนี่ยอยู่ในจิตมีศีลที่เป็นไทยไม่ได้มีตัณหาไม่ได้เพื่อความดีหรือเพื่อไปสวรรค์หรือเพื่ออะไรเป็นศีลที่พอเป็นที่พอใจของพระเรซยเจ้าหมายมันศีลของพระเยซูเจ้าอ่ะพระเจ้ารักษาศีลก็เพื่อเป็นบาตรฐานของวิปัสสนาญาณเพื่อความพ้นทุกอย่างอื่นมันก็ไม่มีส่วนยังไม่ถึงมุสาวดานเนี่ย ปัญหาเยอะต้องคอยระวังอยู่เรื่อยเพราะในจิตเนี่ยมันยังมีอะไรต่ออะไรเยอะพวกกิเลสพวกตัณหาอุปาทานมันก็แสดงออกมามันก็กระทบกันแะแต่ถ้าเป็นพระยาเจ้าจะนิ่งสงบตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็พอไว้ใจได้แล้วปัญหากันน้อยโดยว่าเรื่องศีลเนี่ยว้ใจได้ศีลก็อยู่นีว่าศีลห้าบริสุทธิ์เพราะศีลมันรักษาเอง ก็ศรัทธาเลื่อมใสพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชนีดไม่หวั่นไหวนี่อันนี้ก็มีอยู่ประจําอยู่ในจิตใจสีหน้าของโสดาบันนี่เด็ดขาดนะจะไปให้ท่านฆ่าสัตว์แลกเงินแลกทองอะไรอุย้ยถ้าไม่เอาเด็ดขาดเลยเพราะมันอยู่ในจิตนะชีวิตเขาชีวิตเรามีค่าเท่ากันเลยค่าใครไม่ได้ปาหานกรรมที่จะทําให้ตกอวัยภูมินี่ท่านไม่ทําเด็ดขาดมันอยู่ในจิตแล้วก็ เป็นผู้ที่มีจิตพร้อมจะให้แต่ต้องมีเหตุผลนะสงวรให้ถึงให้นะแต่มีอะไรขึ้นมาเนี่ยพร้อมจะให้มีเงินนี่ก็โอ้ทักมีคนมีสิน้ามีคนดีเอาไปใช้ทาประโยชน์พร้อมจะให้ทันดีเลยท่านละความตนีได้แต่ไม่ใช่ให้ใครมาก็ให้ให้ให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะมีปัญญาเข้าไปประกอบด้วยละความตนีได้อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของโสดาบัน ที่พอละตัวตนได้อารมณ์ที่มันโผล่มาเนี่ยท่านก็ละได้บางส่วนมันไม่ยึดมันก็ไม่เก็บมาซึ่งว่าเขาพูดว่าร้ายบ้างอะไรบา้รบางเนี่ยท่านก็ปล่อยได้อ่ะมันไม่มีตัวตนออกไปรับมันต่างจากผุุ้ชนนะผูุ้ชนโอยอะไรมาก็เก็บไว้เก็บไว้โตเถียงกันทะเลาะเบาแวงกันเรื่องไร้สาระบางทีอ่ะแต่พระสุตดานท่านก็มองเฉยเฉยอ๋อแค่นี้ก็เป็นทุกข์ได้บางทีก็คิด วุ่นีิก็เป็นปัญหาได้เพราะเขาละไม่ได้ท่านละได้ท่านก็ดูไปธรรมดาไปคือมันจะสูงกว่าผู้ทัชนแล้วชีวิตความเป็นอยู่ก็คล้ายๆกันนี่แหละแล้ยั ง, ยงทําการทํางานทํามาหากินทำนั่นทํานี่แต่จิตมันต่างกันอันหนึ่งจิตสูงขึ้นมาแล้วทุกข์ก็น้อยลงไปแล้วปัญหาลดลงไปแล้วปัญหาที่เกิดจากการล่วงละเมดิดศีลไม่มีแล้วท่านวันยังเมื่อคืนเทศเรื่องศีลหน่อยๆเพราะอะไร ได้ยินมาว่ามีคนมาบวชพอสึกออกไปแล้วเขาว่าเฮ้ย hey, ทำไมมาบวชแต่ก่อนไม่เคยมั่วผู้หญิงเขาว่าพอมาบวชสึกออกไปแล้วแถมมาบวชผู้ไม่เอาด้วยนะสึกไปมั่วผู้หญิงน่าดูเขาว่าเราก็รู้อยู่จะมาโทษวัดอะไรไม่ได้หรอกโทษการบวชอะไรไม่ได้หรอกพอกระแสะของตัณหาความอยากความต้องการมันรุนแรงเนเดี๋ยวเนี้มันยังไม่ถึงขั้นประโสูติบัณฑนี่นะแม้ผิดศีลผิดอะไรก็ทำอะมันก็น่าเสียดาย รู้แล้วแต่จิตไม่เข้มแข็งไม่สามารถละคืออย่างน้อยก็เอามันละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแหละแต่ว่าอย่าให้มันผิดศีลความหมายคืออย่างนั้นให้ผิดศีลนี่มันขาดทุนอ่ะพอตายแล้วโอ้โหแค่สนุกแป๊บเดียวเนี่ยหนู่มลงอบัยภูมิแมันไม่คุ้มค่าเลยอ่ะยิ่งคนที่ได้มาบวชได้มาศึกษาแล้วเนี่ยมันน่าเสียดายมากเหมือนกับไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเลยอ่ะของเรานี้กลัวกลัวแทนเลยอ่ะ เพมันเชื่อตามพระพุทธเจาเด็ดขานเลยท่านเห็นด้วยญาณเห็นด้วยจักสุอันเป็นทิพย์คนที่ทํากรรมแบบนี้แล้วก็ต้องนูน่นไปตกนรกอย่างเงี้ยโอ้โหมันน่ากลัวแล้แค่เป็นมนุษย์นี่กเกษตรกรรมเล่นงานก็ยังเจ็บปวดขนาดเนี้ยคิดดูกันแล้วกันนี่ที่เราเจอเจอเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะเนี่ยเศรษฐกรรมเฉ ย, ยๆนะที่มันตามบีบคัน้นตามบั่นทอนรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานอะไรนี่แหละเศรษฐกรรม กรรมจริงๆเนี่ยเราไปใช้กรรมในนรกแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรือตสุรกายพอเป็นมนุษย์เศษกรรมที่มันไม่ดีมันก็ตามมากรรมดีมันก็ทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุขติฝ่ายกุศลเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะกว่าจะเป็นมนุษย์ได้ต้องกุศลต้องถึงอะหรือศีลเนี่ยมันต้องถึงอ่ะศีลหน้าอย่างน้อยนึกกุศลกรรมบทสิบอย่างอย่างเงี้ยทำไม่บกพร่อง อันนี้เป็นมนุษย์กัเทวดาแล้วเขาเรียกมนุษยธรรมธรรมที่ให้ทําให้เกิดเป็นมนุษย์มันยังมีสิอย่างเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมนี่สาคัญจากนั้นก็ทางวาจาทางวาจา ก, ก็สอย่างเว้นจากการโกหกเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดหยาบคายหรือวาลุสวาจาเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อสัมผัสปลาตะโอ้เพ้อเจอนี่มากเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้กลายเป็นถูกไปเลยเห็นกันปุ๊บต้อง มีเรื่องเอามาคุยกันแล้วชุบชิบชุบุบชุบชิบในยุคหนึ่งไม่มีเลยพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นเลยอ่ะพูดความจริงพูดเท่าที่จําเป็นแล้วก็หยุดกันเลยเงียบสงบกันเลยยุคนี้โอ้โหนี่มันเสื่อมขนาดนี้นะถ้าไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้เอาโน่นเอานี่มาคุยกันดูสิมันไม่สนิทสนมอ่ะไม่สนิทใจกันไปที่ไหนจึงเห็นยจับกลุ่มกันคุยกันลหรือแม่งันกับเดี๋ยวนี้มันก็มีโทรศัพท์อ่ะ มันไปดูอะไรต่ออะไรในโทรศัพท์ส่วนใหญ่ก็เรื่องลื่นเรืองบันเทิงเรื่องอะไรบางทีมันก็สร้างอะไรขึ้นมาให้หน่าสนใจเท่านั้นเองหลอกจิตเราให้ไปผูกติดอยู่กับมันหลงไปกับมันเสียเวลาเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรแ ค, แค่เสียเวลาไปนี่มันยิ่งต้องใช้ความเข้มแข็งวาจาก็ะสีอย่างนี่กุศลกรรมบุ สิบกายกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมอีกสามเว้นจากการเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นนี่ทางจิตอะไอ้บางทีมันเห็นของเขาสวยๆงามๆมันอยากได้ไอ้ความอยากอันนี้มันถ้ามันไม่เพ่งเล็งอยากเอาอ่ะหาช่องทางจะเอามันก็ไม่ดีหายอะมันห้ามไม่ได้เนี่ยมันก็มันสวยอะมันก็อยากขึ้นมารู้ทันความอยากเสียกรจกถ้าเรามีกําลังพอที่จะหามาได้เราก็เอามาได้เพรเป็นบุญของเรา อย่าได้อะไรต่ออะไรมาไม่ได้ผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นของคนอื่นแล้วหาช่องทางจะเอามาเพ่งเล็งอย่างไดของคนอื่นนะ่นนคะครับพยาบาทเบียดเบียนขอ้อ ท, ที่สามกเป็นวิชฉาทิฏฐิสิอย่างถ้ากุศลก็ต้องมีสมาธิิสมาธิฝ่ายโลกียะทาให้ดําเนินชีวิตไปถูกต้องสิบอย่างเนี้ยอันนี้มันเป็น ที่ทาให้เป็นมนุษย์หรือเทวดาเขาเรียกมนุษยธรรมถ้ามีสิบข้อนี้อย่างน้อยต้องเป็นมนุษย์แล้วเป็นไม่ได้ที่คนที่มีกุศลกรรมบุตรสิบจะไปสู่อวัยวภูมิผู้ดหญวก็รับรองอย่างนี้เลยนะยพราะยุคภาษียเยมตทัยเนี่ยคนจะมีกุศลกรร ม, ม, มบุตรบพร้อมเลยแต่หมดภาษีอริยเมตไตรอริมิพานบับ๊บหาศาสนาเสื่อมอย่างรวดเร็วทีนี่เพราะท่านแสดงธรรมน้อยโปรโมดาศาสนาแล้วก็ไม่รู้จักอะไรเป็นกุศลอกุศลแล้วทีนี่ สานก็เต็มที่เสื่อมอย่างรวดเร็วยุคสมัยเรานี่ก็มียุคเจริญมีพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองจากนั้นก็เสื่อมลงมาลงมาแต่พอมนุษย์อย่า้อยปีปั๊บผู้เจ้าก็ออกมาอุบัติขึ้นมาคนธรรมะจึงมากผู้เจ้านี้แสดงธรรมมากเพราะคนทุกข์มากคนมีปัญหามากแสดงธรรมเพื่อแก้ทุกข์เพราะฉะนั้นใครเล่งปฏิบัติตามพระพุทธญาองค์นี้แหละพอเลย อย่างนั้นก็เพียรปฏิบัติมันก็เหลืออีกอประมาณนี่มันก็ล่วงเลยมาสองวันกว่าปีแล้วเนี่ยมันก็เหลืออีกกี่ปีเพราะว่าผู้เจ้าพยากรณ์ไว้ว่าห้าพันปีอะแต่ก่อนเราก็ไม่เชื่อนะอมันใช่หรือเพราะมันมีการหนึ่งที่พระเจ้าบัวตาบใดที่ยังมีบุคคลปฏิบัติชอบใจโลกจะไม่วางเว้นจากพราหมณ์เราก็ใช้อันนี้แหละเป็นกําลังใจ โ, โลกจะไม่วางเว้นจากพราหมณ์เอาต้องเอาให้ได้ เรียนให้ได้พยายามออกจากทุกข์ให้ได้อธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกมั่นใจผู้เจ้าตัดแล้วต้องจริงก็ในเมื่อข้ อ, น, ขอนี้มันมีอยู่เอ๊ะมันไม่นา่าจะห0 0พันปีนะโอ้แต่มาถึงยุคนี้โอ้โหมันปฏิบัติยากขึ้นยากขึ้นทีนี้กระแสของโลกมันก็ดึงดูดออกไปพระปฏิบัติก็เริ่มไหลไปกับกระแสโลกหาคนนี่ปฏิบัติจริงจังก็ยากขึ้นทีนี้โอ้เริ่มเชื่อขึ้นมาแล้วปฏิบัติก็ยาก อกุศลมันก็มากมันก็มาทําลายสิ่งดีงามในจิตใจของมนุษย์อ่ะแต่ถ้าใครเพียรสู้เพ อ, อไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติต่อไปหวังเอาให้ทันพระเจ้าของเรานี้เพราะว่ามันคําสอนมันมากมันพอชาตินี้ก็ทําเต็มกําลังละ่ะสัวอยู่กับบ้านกับเรือนหรือว่าอยู่กับข้อโครอยู่ฐานะแบบนี้ก็เอาแบบนี้แหละแต่มันเต็มร้อยเต็มร้อยได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ละ่ะเรียกว่ามากที่สุดเต็มที่ของเรา ก็อย่างนี้มันก็มีหวังแล้วแล้วในการที่เราปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะมีกำลังกำลังหนุนว่าเราทําเต็มที่แล้วเนี่ยการพอใจในตัวเองเนี่ยมันเป็นกําลังของจิตด้วยถ้าทําำรอดแอรอ่อนแอมันก็จะรู้โอ้ยเรานี่อ่อนแอมันก็จะอ่อนกําลังลงไปจิตไม่มีพลังไม่มีกําลังถ้าใครพยายามทํางานทําการกับพยายามอยู่ในท่าทางปฏิบัติศึกษาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามันมีอยู่เยอะเดียเ๋ยวนี้ในเน็ตในอะไรก็มี พระสกทาคามีพระโสดาบันปฏิบัติต่อไปอีกปฏิบัติก็มาดูคันหน้าเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่ามันอาจจะมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมดูจิตเข้าไปละเอียดขึ้นไปคราวนี้ก็ละสักยะทิฏฐิได้เท่าพระโสดาบันอ่ะแต่มันละเอียดพระสกทาคามีละโลวาโทสัมโมหะได้มากขึ้นนะความหลงมันก็เบาลงเบาวกว่าพระโสดาบันมากจิตทั้งหมดละเอียดเข้าไปมากกว่า แต่ว่าสังโยุนเบื้องต่ำอีกสองขอไม่ได้ในพระโสดาบันเกิดอีนไม่เกินเจชาติเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาไม่เกินเจดชาติไม่งั้นก็ไปเกิดเป็นพรหมชนสุทาวาสอันนั้นเขาไม่นับไม่นับอยู่ในเจชาตินี้ผมก็ค่อยเลื่อนชั้นขึ้นไปเขาวิหมก็ยังหยาบอยู่พระอนาคามีบุคคลขั้นต้นๆอัตตาปาสูงขึ้นไ่อีก สุทัศนาสุทัศีอาการนิฐาจอกันเลยที่จิตแล้วก็ดับเพิบดับไปเลยนะนี่ท่านบรรลุบนยันสุตวานเะดับเพิบดับไปหมดเลยนะวับไปเลยไม่ได้มีร่างกายเหลืออยู่เหมือนมนุษย์นะเนี่ยมีมนุษย์ในชมพูทวีปนี้เท่านั้นนะที่กิเลสนิพพานแล้วเนี่ยมันยังมีธาตุขันเหลืออยู่สามารถเอาธรรมะมาแสดงได้มาสอนได้ จนก็จะถึงหนุ่นดับขันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบางทีนั่นก็ถือว่าเป็นข้อดีของคนที่เกิดในโลกดีกว่าเทวดาชั้นดาวาดึงอีกผู้เจ้าบอกเนี่ยเพราะมันมีเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็เพราะละหันกิเลสนิพพานแล้วก็ยังมีธาตุขันเหลืออยู่คนที่เกิดในโลกนี้จึงเหมาะสมที่จะปฏิบททัติธรรมคือพระองค์ใช้คําว่าเกิดมาเพื่อปฏิบัติพรหมจรรย์เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ นเนี่ยพราฉะันพวกเราเนี่ยโชคดีแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงทนทานต่างจากร่างกายของเทวดาร่างกายของเขานี่บอบบางมากกายทิพย์อ่ะมันบางเบาบางละลายง่ายตายง่ายมนุษย์โดนเตะโดนต่อยโดนตีงดพยายามคืบคานขึ้นมามีความทนทานยิ่งในว่าจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญ ร่างกายมันหยาบแล้วก็เห็นทุกสุขทุกบ่อยเห็นทุกบ่อยมันเปลี่ยนแปลงอย่างสติมันต้องได้ตั้งสติอยู่เรื่อยอุ้ยเผลอไม่ได้ต้องพยายามมันงําจะบุบเข้ามาที่จิตเราโอ้โหเหลืองลาวมากมายต้องคอยระวังจิตระวังจิตอยู่เรื่อยเงี้ยนตื่นตัวมีสติมีปัญญาคอยอบรมจิตแก้ไขจิตมันมีข้อดีกว่าเทวดาสาข้อผู้ชาสรุปเทวดาเจ้านดาวดึงก็มีข้อดีกว่ามนุษย์ ในชมพูทวีปหมายถมนุษย์ในโลกเรานะโลกอื่นนะไม่มีพระเจ้าอุบัติขึ้นมีเฉพาะในชมพูทวีปหมายถึงโลกเหล่านี้บางคนก็บอกชมพูทวีปหมายถึงอินเดียหนังสือก็แต่งไปแบบนี้แต่ว่าในความหมายของพระพุทธเจ้าชมพูทวีปหมายถึงโลกเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีข้อได้เปรียบเทวดาร่างกายก็ยากทนทาน ทำให้จิตใจมันเข้มแข็ ง, ขงกล้าหาญไม่ตายง่ายๆเห็นทุกข์บ่อยเปลี่ยนแปลงบ่อยๆทำให้สติมันดีมีปัญญาเนมีพระพุทธเจ้ามีพระละหาหน์ขีนาศพคอยเอาธรรมะมาชี้แจงแสดงให้ได้ยินได้ฟังให้ได้ปฏิบัติตามวกเทวดาวก็มีอายุทิพย์อายุยืน เช่นดีวดึงเงนึงวันของเขาร้อปีในแดนมนุษย์แล้วก็มีอายุ36ล้านปีทิพย์ลองเอาคูณเข้าไปอ่ะหนึ่งวันของเขาก็ร้อปีของเราคูณเข้าไปมันกี่ปีในแดนมนุษย์อายุยืนสุดท้ายก็ตายเหมือนกันมันแค่ยืนน่ยแค่ได้ยืนเหมือนเราอายุเราเนี่ยบางคนอายุ70 80สิดสิบเ้ตายเหมือนกันอ่ะตายไปบางทีก็ลงอวัยภูมิได้ ก็คือไม่มีอะไรพูดง่ายเวียนเกิดเวียนตายอยู่แค่นี้ยถ้าใครยังพอใจเกิดพอใจตายอยู่งี้โอ้ยมันก็น่าสลดธรรมะของญาอุบัติขึ้นมายังไม่เข้าใจอีกพระสกทาขามีละสักยะทิฏฐิได้ละวิจิกชฌาได้ละสีลพัตตพลามาดได้แต่ว่าโลภะโทสะโมหะเบาบางเกิดอีกไม่เกินสองชาติถ้าเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวบรรลุเลย พระสกทาคามีสิ่งที่พิจารณาก็ละเอียดเข้าไปต้องละกายได้ละรูปละกามคุณอารมณ์ที่จะมาบำรุงบำเรอบนเปลิดร่างกายได้ถ้าไม่ได้มาทั้งว่าละโทสะได้เนี่ยพราะนาคามีจริงละสังโย์ได้อีกสองข้อกามละคะแล้วก็ปฏิฆะพวกโทสะพวกความโกรธทั้งหลาย เพราะนั้นคนที่อยากออกจากบ้านจากเรือนได้มันต้องระดับนู้นพรนาคามีนู้นเราะั้คนปฏิบททัติธรรมถ้ายัางออกจากบ้านจากเรือนไม่ได้ก็มันก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรฐานะของเรายังมีบ้านมีเรือนคลองบ้านคลองเรือนอยู่ก็อยู่ไปได้มีครอบมีครัวมีลูกมีคนหนึ่งเ็าอยู่ต่างประเทศเขาฟังธรรมใน YouTube ที่แรกเขามีคนเอาซีดีไปให้เขาครว่า ซีดีของเราเนี่ยแหละเขาก็ยังฟังของอื่นอยู่เขาบอกเลยมีคนบอกว่าลองฟังดูนาลองฟังดูนะนะเขาลองฟังดูบอกโอ้ยตรงของเขาหมดเลยตร ง, งเขาหมดแล้วก็ตามฟังใน y o ยูทูบทีนี้ต่อมาจิตเขาก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเลื่อนชั้นขึ้นไปต่อมาเขาละได้หมดอ่ะพวกเนี้ยคมพวกอะไรอย่างเงี้จิตก็ละเอียดเข้าไปเธวก็ขอคุยทางโทรศัพท์ทางไลน์อะไรเงี้ยเราบอกเออได้สามทุ่มเราว่างเราคุยเขาก็คุยให้ฟัง แต่งงานกับฝรั่งหนูก็ยังต้องทําหน้าที่ภรรยาอยู่นะโ อ, อ้ไม่เป็นไรเขารู้ดีนะเขาฉลาดนะคนนี้หนูก็ยังให้แฟนหนูมีความสุขแต่หนูไม่ได้ต้องการเขาก็บอกอ๋อมีครอบครัวเป็นอย่างนี้เองแล้วปฏิบัติของเขาพอละสังโยชน์ได้อีกสองข้อรวมเป็นห้าข้อถ้าปฏิบัติต่อไปอีกต้องพิจนารณานีล่ละละ ความสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ให้ติดเลยอ่ะจะไปเข้าไปพักเขาไปแช่เข้าไปนิ่งอยู่นิดหนึ่งก็ไม่ได้ต้องออกมาหมดนี่ขนาดนั้นนะเวลามันจะออกจากทุกเนี่ยสุขจากสมาธิก็ไม่ได้คือมันต้องเป็นแบบรู้ตัวตลอดรู้ตัวทั่วพร้อมเลยพักก็ต้องเห็นกายเวทนาจิตมันนิ่งอยู่ในงานก็ต้องมันก็จะทำงานจิตนี่มันจะทำงานหมุนตัวเพื่อละ อัตราตัวตนให้มันได้มันก็ต้องมาพิจารณาเนี่ยเข้าไปในสมาธิต้องถอยออกมาได้ลูปราคาลูบ ร, ราคาเนี่ยมานะเกิดใช่ไหมต้องรู้เท่าทันแล้วเนี่ยเนินช้าไม่ได้เราต้องรีบปล่อยมีตัวตนนิดนึงก็ไม่ได้นะ่ะพราณาคามีจะไปอ้อยซ อ, อยน้อยเนื้อต่ําใจไม่ได้ต้องรีบปัดรีบทิ้งเพราะไม่ใช่เล้าไวอย่างนั้นนะ่ะจะไปให้มันอ้อยซอยอ้อยอิงอะไรกัน ทิ้งได้เร็วเราก็ไปิสระจากมันแต่เวลามันยังทิ้งไม่ได้มันอ้อยซอยนีอุทจักบางทีมันก็เพลินนะมันเพลินในธรรมเนี่ยโอ้โหมันมันรู้อย่างกันนั่งบางทว่าเป็นธรรมะพิจารณาธรรมเพื่อละตัวตนนี่แหละแต่ว่ากําลังมันไม่พอไม่ได้เห็นทั่วพร้อมอ่ะไม่เห็นกายเวทนาจิตธรรมชนิดแจ่มแจ้งอ่ะเหมือนมันมันไม่มีกําลังอ่ะ ลอยลอยลอยลอยอยู่ข้างในี่ยแบบแบบเพลินเนี่ยแบบไม่รู้ตัวนี่อุทจฉะของปานาคามีต้องทันหมดทันหมดเห็นทันมันเมื่อไหร่อนีอ้ยอย่างนี้เองอุทจฉะอย่างนี้เองมานะเบาลงเบาลงต่อมาเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่มันว่างมันนึกว่าความว่างเป็นจิตแต่จิตเน่ยเป็นผู้รู้ว่าว่าง แต่มันไม่สามารถทวนเข้าไปเห็นตัวรู้ได้มันคลายออกจากตัวเองไม่ได้นี่ก็ติดอยู่เยอะเลยนะเข้าไม่ถูกเลยอะ่ะนี่ยมันติดไปทีละขั้นทีละตอนน่ะที่บอกมันว่างก็คือจิตเป็นนิ่งไปแช่นั่นเองอะ่ะมันเลยเหมือนดู ว, ว่างแต่มันยังไม่ว่างจากตัวตนตัวดูเนี่ยไม่เห็นนะมันเที่ยวไปดูแต่ข้างนอกไอ้พวกนี้อ่ะจิตนั้นมันสร้างขึ้นมาหมดอะ่ะภาพลวงตาทั้งหลายเนี่ย ความยึดความติดความคล่องของจิตมันก็จาะเข้าไปจาะไปมันทันปุ๊บอ๋อไปจากจิต น, น, นี่ดับลงไปหมดเนี่ยตัวตนมันก็ดับไปคราวนี้หมดแล้วไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งท่านก็รู้ทันทีอ๋อตัวอิวาไปเกิดไม่มีแล้วเนี่ยขีนาชาติรู้เลยว่าชาติสิ้นแล้วเพราะมันไม่มีอะไรปรุงแต่งช่ยนี่เป็นญาณอันหนึ่งของโบราณถ้ารู้ว่าเนี่ยเมืม่มอะไรปรุงแต่งจิต จิตก็ถึงปณิพานั์จิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันจะถึงปณิพนัน์ถ้ายังมีอะไรปรุงแต่งอยู่มันไปไม่ถึงอระมาจันทร์จบแล้วหมดการหมดงานในจิตที่ต้องทําเพื่อออกจากทุกข์ไม่มีอีกแล้วแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องทําในจิตมันคล้ายๆกับว่ามันต้องอจะช่วยคนนี้ได้ยังไงนะเนี่ยมันก็เพื่อคนอื่นแล้วนะที่นี่จะมาคิดเพื่อตัวเองไม่เอาแล้วลืมไปเลยว่ามีเรา แต่ก็ยังต้องมีชีวิตอยู่แต่ว่ามันลืมไปมันไม่มาสนใจใหญ่ดีมันก็มีชีวิตไปเท่านั้นเองแล้วบางคนทำไมต้องนั่งสมาธิล่ะเอาเวลาจะทํางานมันต้องมีพลังต้องใช้กําลังของจิตกําลังของกายมันจะไม่ใช่เพื่อละกิเลสแล้วทํำไมนั่งสมาธิล่ะมันก็ว่างอยู่จิตน่ยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีทุกข์หรอกแต่ว่าความละเอียดความสบายวิหารธรรมอะ มันต่างกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบางทีทั้งก็หลบเข้าไปในป่าไปเขานี้โลดสมาบัติเข้าไปในสมาธิชัน้นลึกดับสัญญาดับเวทนาเลยเวทนาดับสัญญาคือดับจิตเข้าไปพักลึกสุดเลยแล้วออกมาก็มาทํางานทําหน้าที่ต่อไปเพราะนั้นทางของพุทธเจ้าจึงนี่แหละที่เรากำลังเดินเนี่ยมีสติเบื้องต้นเอาจิตให้อยู่กับตัวเอง ธรรมชาติบางทีมก็จะไหลออกไปอยู่เรื่อยเหมือนต้องมีสติให้อยู่เรื่อยสำรวมระวังอยู่เรื่อยแล้วถ้าไปทำไม่ดีมันก็จุกจิกอยู่ในจิตอ่ะมันก็รบ ก, กวนจิตก็ต้องหยุดสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องละบาปประหารออกไปไงตรงละสิ่งไม่ดีซะก่อนพระเยาว์จึงตัดไม่ให้ทำบาปทา้งปวงนัน้มันก็ยังมาสอดคล้องธรรมของพระเยาว์หมดเพื่ออะไรเพื่อสนับสนุนจิตให้มันเดินตรงทาง ลองผิดไปจากธรรมะสิมันก็ผิดระบบไปเลยอ่ะไปทำไม่ถูกต้องปั๊บแล้วจะมาปฏิบัติธรรมเราจึงหมดหวังคนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมอพอรู้ว่าไม่มีศีลปั๊บหมดหวังแล้วก็ในเมื่อไม่ละบบาปไม่ละสิ่งไม่ดีไอ้สิ่งนั้นละมันจะมารบ ก, กวนจิตพอคนเป็นสมาธิปุ๊บมันมาแล้วนี่แสดงว่ายังไม่มีสมาธิคนนั้นอ่ะมันถึงกล้าทาไม่ผิดศีลผิดธรรมขึ้นมานี่มีทางอยู่อ่ะ เพามีสติคุมจิตเพราะจิตมันไหลก็ต้องสำรวมบ่อยๆระวังบ่อยๆยิ่งมีเรื่องไม่ถูกต้องมันก็ยิ่งออกคุมจิตไม่อยู่มีแต่เรื่องลาวแล้วควรจิตใจมันก็ต้องไม่ให้มีสิส่งไม่ถูกต้องหยุดเพราะันการดาเนินชีวิตจึงต้องถูกต้องสัมมาเป็นสัมมาหมดเลยสัมมาอาชีวอาชีพก็ต้องถูกต้องเราเป็นสมาธิแล้วก็ต้องให้มันตั้งมัน ตั้งมั่นเพื่ออะไรมาก็ตามไม่ให้จิตเราถลํมเข้าไปกับเรื่องเหล่านั้นให้มันอยู่อยู่แล้วมันจะเห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดดับไม่ว่าอะไรจะเกิดเราอย่าไปหวั่นไหวกับมันอย่าไปเสียเวลากับมันรักษาจิตนิไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายดูมันลงไปเดี๋ยวมันก็จะเห็นมันเองแล้วก็เอามาดูในกายในจิตเราเนี่ยให้มันเห็นพร้อมไปพร้อมกันกับจิตวม่าจิตเราไม่ยินดีไม่ยินาย ถ้าทำด้านจะค่อยคลายออกจากให้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นจิตเรามันตั้งมั่นแล้มันไม่ถล่มเข้าไปมันก็เป็นกลางดูเฉยน่ะพวกที่เกิดมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นภาวะที่มันเป็นอนัตตาพอจิตเรามันอยู่กับจิตมันก็มองเห็นแล้วอ๋อมันเป็นของมันเองนะมันก็ไม่กลัวอะไรวันก่อนเนี่ยก็มีคนหนึ่งที่เข้ามาโอ้เขาติดอยู่นานนี่กเข้าป่าเหมือนกัน รู้สจะไปท่าดินนี่เหมือนกันต๊บเข้ามาแน่นเน่าเงอะแปลกดีเหมือนกันมันจะทําให้กลัวทําให้หนีทีนีแกไม่หนีนะ่ะตั้งหลักเลยไม่ยินดีไม่ยินไล่ไม่ยินแล้วจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปจ่อไว้ไอ้แน่นนี่มันก็นเลยแน่นจ่อเข้าไปนี่คือดูตัวดูรักษาจิตไว้ไม่ยินดีไม่ไลเพราะก็เห็นอาการนั้นด้วยพอเห็นเห็นเห็นีนน่มันจะมาตัวรู้มันก็เด่นขึ้นมาไอ้ตัวนั้นก็เป็นสิ่งจูกรู้ไว้ไม่ใช่เรา ทีมันจะเกิดจะดับช่างมันแกก็อยู่กับจิตแแเคร่งแค่ดึงคลายไปคล า, ายไปเบาไปก็สบายไปจากนั้นแกก็มามาถามเรื่องจิตจิตเป็นยังไงมันคืออะไรอนี่ยทีแกก็มีความรู้อยู่นะแต่ก็อยากได้ความมั่นใจอ่ะถามถามเรื่องการทํางานของจิตพอแกเริ่มเห็นแล้วยามาอยู่เดือนหนึ่งกลับไปไปเจอกันที่กรุงเทพโอ้ท่าทางนี่อยู่ข้างในเลยนะนิ่ง ไม่สนใจเลยเลยผิดจากเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนนู้ยแกจะจุกจิกจุ๊กจิกจุ๊กจิ ก, จ ก, จกนั่นๆ น, น, น, นี่ีแกเป็นคนที่ชอบทาบุญเงียบนิ่งช่ยไม่สนใจใครอยู่กับตัวเองโอเห็นแกเปลี่ยนไปเนี่ยแต่พอธรรมะมันมีขึ้นมาในจิตพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนไปมันไม่อยากสนใจเรื่องข้างนอกมากมันกลายเป็นเรื่องไร้สาระไป แต่พอจิตยังไม่มีธรรมมันเห็นเรื่องไร้สาระเรื่องข้างนอกมีความสําคัญเขาชื่นชมอะไรเราก็อยาไปชื่นชมกับเขาเขาว่าอะไรดีก็อยากดีไปกับเขาตื่นเต้นไปกับเขามันก็เลยไหลออกไปมากถ้าจิตมันกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองอะพอมันละไออารมณ์ข้างนอกได้มากแล้วมันก็ไม่อยากไปสนใจมากยิ่งพอมันเด็ดขาดแล้วเนี่ยโอ้ยมองดูโลกแบบอยู่เหนือมันเลยอะ่ะ เห็นเขาทุกเห็นเขาทํานั่นทํานี่เราเฉยๆเพราะเรารู้ว่าตายจากโลกนี้ไปเราก็ไม่ได้กำมาเกิดอีกพอแล้วไม่เอาอะไรแล้วแต่มันก็พูดทั่วไปไม่ได้คุยไปชาวโลกก็คุยไปทักทายไปเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆนอกจากคนที่สนใจธรรมะหรือมีสักถามมีโอกาสมันก็พูดกับคนที่ควรพูดคนที่ไม่ควรพูดมันไม่เอาหรอกพูดไปทําไม เขาไม่รู้เรื่องมองดูจิตมันก็รู้มันจบแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมันจบแล้วผนถ้าปฏิบัติถ้าใครสามารถสามารถทําเหมือนกับว่าจิตมันไม่มีอะไรทุ่งอย่างไปอยังจิตผลไม่เอาหล อ, อกมาก็ไม่เอาเรื่องอะไรมาก็ไม่เอาตั้งใจปล่อยคอยปล่อยอย่างเดียวทิ้งอย่างเดียวก็ไปได้เขาเรียกว่าละนันทีละความเพลินละการไหลของจิต มันจะไล่ไปเรื่องอะไรไม่เอาไปเรื่องคนนั้นไม่เอาไปเรื่องคนนี้ไม่เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เอาหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดมก็หดตัวปับป๊บปับ๊ปเข้ามาอยู่กับจิตมีพวกดูจิตเนี่ยละนันทีเห็นพระเจ้าก็บอกละนันทีก็สามารถหลุดพ้นได้เหมือนกันมันจะออกไปเพลินมันจะออกไปเอานั่นเอานี่ตัดให้เร็วมันจะเอาก็ได้แต่มันต้องละซะก่อนให้มันหยุดซะก่อนหยุดดิดดน้นหล่นในจิตเนี่ย เอามันเลยให้อ้อมมันอยู่แต่มันยังอยากอยู่ไม่เอามันนะตัดมันอย่างนี้เลยนะอยากอยู่ไม่เอามันสู้กันหนึ่งก็จะเข้ามาหาจิตเรื่องข้างนอกค่อยหมดหมดหมดหมดไปอ่ะมันติดอะไรอ่ะเอามันไปดูดูแล้วก็ดูจิตไปด้วยดูข้างนอกดูข้างในสุดท้ายจิตมันก็เห็นหยุดได้ไอ้นั้นมันไม่ใช่เรามันไว้สาระเพราะตัจิตมันมองดูอยู่เนี่ย มันก็เข้าหาจิตทำมาหาจิตไม่ให้จิตส่งออกไปเลยอะ่ะแต่ใครทำได้มันก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเไปไม่เอาอะไรเลยไม่ได้ความว่างไม่จึงไม่จ้องไม่แช่เฉยดูเฉยมีสติก็ดูเฉยออกจากสติไม่ยึดอะไรเลยงางการของตายอยู่แล้ว ขอตายชัดๆยึดไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะละง่ายๆเพราะมันเห็นอยู่แล้วคนตายก็เยอะแยะไปเผาคนอื่นมาตั้งมากมายก็แค่เอาจิตมามองดูทําความเข้าใจมันก็น่าจะผ่านไปได้คนใครมีปัญญาว่ามันก็จะเห็นเห็นตามไปโอ้ไม่มีอะไรเลยร่างกายเนี่ยมันเหมือนอย่างพระเจ้าสอนทุกอย่างเหมือนทอนไม้ทนฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้ดูก่อนพี่สูจทั้งหลายร่างกายมันก็เหมือนกับทาง มา จ, จากวิญญาณก็เหมือนตอนไม้ตอนฟืนจากนอนทับบนแผ่นดินไม่ผิดอะไรก็ต้นไม้ตอนฟืนหาประโยชน์อะไรไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนของยิวมาใช้ชั่วคราวมันก็ชั่วคราวเฉยๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องทิ้งไปเป็นของที่ต้องแตกดับสลายเหมือนฝูงโคที่กำลังถูกต้อนเข้าสู่โรงฆอาสัตว์เหมือนน้าค้างที่ติดอยู่บนยอดหยาพอว่าอาทิตย์ขึ้นมาเท่านั้นนะ้นําค้างก็ละลายไปเนี่ยร่างกายเปียบง่ายๆอย่างนั้นเลย ถ้าก็เห็นความตายอยู่เฉพาะหน้าอยู่ในจิตนีมันก็วางได้แล้วร่างกายไม่ตึองกัเห็นว่ามันแตกมันสลายมันละลายแต่รู้สึกขึ้นมาในจิตได้ว่ามเป็นอย่างนั้นจริงๆมันลงให้เลยหรือเห็นมันสลายไปต่อหน้าต่อตาก็ได้หรือเห็นมันมันจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งชัดเจนแจ้งเลยไม่ใช่เราเด็ดขาดก็วางกายได้หรือเห็นเวทนาเวทนาชัดเจนเลย สุดท้ายมก็ต้องมาเหตุจิตปล่อยเวทนาได้ก็อปล่อยกายได้ปล่อยจิตได้มันไปพร้อมกันพวกเนี้ยที่ว่าละกายได้มันก็เข้ามาหาจิตร่างกายนี่มันไม่ใช่เรานี่นะมันของตายเนี่ยยึดได้ยังไงมันก็วางไปโอเราเนี่หลงยึดร่างกายมานานันนานแสนนานก็เกินเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็ไม่รู้มันก็เกิดได้นั่นในจิตเนี่ยอุทานออกมาได้ไม่ต้องคิดเป็นเองหมด แต่ถึงเวลาเป็นเองหมดเมื่เรามีหน้าที่ปฏิบัติไปละกายได้ก็ละเวทนาละจิตได้ละจิตก็ละกายละเวทนาได้ละธรรมได้ไปด้วยกันหมดละได้ตามลําดับตามลําดับจนดับหมดหนุ่นละจบเลยไม่มีอะไรเลยสุดท้ายทั้งกายทั้งจิตไม่ได้เป็นอะไรเลยว่างท่านนึกว่าจิตเดิมแท้มันว่างโอ้ที่แรกมันว่าง ก็มามีอวิชชาเข้ามาเที่ยวยึดนั่นยึดนี่สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาที่ี่พจิตหลงแล้วก็มาสอนจิตให้หายหลงทีนี้ก็ต้องมาปฏิบัติตามพระบูติยาเพราะมันหลงแล้วทํำยังไงอะผู้ยังสรุปตรงนี้เลยเหมือนไฟกับมวยสีดาอยู่จะไปมวยทาอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องรีบดับไฟดับไฟคือดับทุกในจิตหลงเพราะมันหลงแล้วอจะไปมัวยมันมาจากไหน ท่านบอกไม่ให้ไปยุ่งเสียเวลาเหมือนได้ยุ่งยุ่งพอหาเงินไม่พบหาเมืองต้นไม่พบหาเมืองปลายไม่พบไม่ต้องสนใจตรงนั้นสนใจเรามีทุกข์จะดับทุกข์ได้ยังไงถ้าดับทุกข์เลยแล้วก็พ้นเลยไม่ต้องเอาเวียนมาตาเกิดแต่ก่อนก็จินนาการไม่ออกหรอกพ้นทุกข์แล้วมันจะเป็นยังไงแถมก่อนจะอวบเพื่อนก็นมาคุยด้วยเพมีเพื่อนในที่ทํางานร่วมงานกันเขาเป็นคนฉลาดทํา ง, งานเก่งแต่ทังเก่งทั้งโลก เป็นนักวิจัยเขามาถามเลยเขาบอกเขาปกติเขาต้องมีข้อมูลก่อนน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเขาจึงจะทาการวิจัยต่ออะไรได้เข้ามาถามนิพพานคื อ, อยังไงเขาว่าเออเพิมเพ่มไม่ปวดเพราผมอยากไปนิพพานแต่นิพพานของเราคือเราไปอ่านคําสอนของโมติเจ้าแล้วพบข้อสรุปว่าอุดมคติในคําสอนของเจ้าต้องถึงวันนิพพานทุกชีวิตต้องถึงนั่น เราศึกษาไปศึกษาไปสุดรวมวงมันก็คือถึงนิพพานถ้าไม่ถึงนิพพานมันไม่จบมันไม่คําตอบให้เราก็เลยต้องไปถึงนิพพานใได้แต่เราไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรเพราะถ้ารู้ว่านิพพานคืออะไรมันก็เป็นพระยเจ้าแล้วแต่เรายังไม่เป็นน่ะเขามาถามมันก็ไม่รู้เรื่องก็ตอบไปตามปาริยัติเลยที่อ่านมาผมอยากถึงนิพพานนิพพานเป็นยังไงหมดกิเลสโอ้หมดกิเลสจะสนุกยังไงเราก็ไม่รู้เพราะยังไม่หมดกิเลส สนุกไม่สนุกก็ไม่รู้แต่เราว่ารู้ว่าพระเทเจ้าท่านต้องไปถึงนิพพานแล้วถ้าอยู่ไม่ได้ล่ะอยู่ไม่ได้ผมก็จะสืกออกมาแล้วก็จะหางานทําคือตอนนั้นมันรู้ว่าขอแค่พออยู่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากโอ้เล้ยมันจะทันเพื่อนเหรอเงินเดือนเราเยอะนี่เพื่อนฝูงเขาก็ไปตั้งไกลไม่เป็นไรเราไม่ต้องการอะไรตรงนั้นทรัพย์สมบัติอะไรเราก็ไม่เอาแค่มีชีวิตไปวันๆอยู่แล้วทํางานก็สะสมก็ไม่สะสมมันก็แปลกอย่างหนึ่ง เขาชวนไปซื้อที่ดินซื้ออะไรสร้างบ้านสร้างเรือนเราไม่เอาไม่สนนี่มันก็แปลกอยู่ในใ่จิตเนี่ยมันก็รอเวลาว่าจะต้องได้ศึกษาเดี๋ยวภายใต้ความคิดอยากจะศึกษาก็อยากจะช่วยมนุษย์ด้วยกันเราช่วยแบบนี้ก็ได้คิดในใจจากนั้นพอได้บวชแล้วก็นี่มันก็แปลกนะบวชมาในความคิดอยากออกไปอยู่ทั้งโลกมันไม่มีอะมันสบายถึงจะลาบาก ปฏิบัติบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ยังพอใจอย่างนะถูกตำหนิบ้างในแวดบงของนักบวชก็ต้องมีบ้างอิจาริษยากันแข่งขันกันดูถูกกันกันแก้งกันมีหมดแต่มันก็พอใจมันไม่กลัวเรารู้อย่างเดียวว่าเราจะต้องไปให้ถึงปฏิบาติเราก็ไม่เอาอะไรผ่านมันไปสู้มันไปก็หลงไปกับมันบ้างเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็กลับมาอีกหาทางเดินหน้าต่อไป ไม่หยุดยัง้งทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปถึงหรือไม่ถึงอธิษฐานย้ำเอาไว้ทุกวันกลัวไม่ถึงต้องการพ้นทุกเพราะนั้นยึงพาทำตั้งปณิธานทุกวันก็พอเห็นประโยชน์ตอนนั้นก็ทําเองไม่ได้รู้อะไรมากมายเพียงแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากไปให้มันถึงกลัวไม่ได้ถึงก็อธิษฐานจิตไว้อธิษฐานจิตไว้เอาต่อมาโอ้จิตมันก็สร้างคุณสมบัติของมันความเพียรพยายามของมัน มงมัมของมันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆปฏิบัติไปก้าวหน้าขึ้นจนไปถึงจุดหนึ่งเลือกอธิษฐานคำว่ า, าปัตนาบนทุกข์ไม่อธิษฐานเลยเฉยเลยถึงเมื่อไรก็เอาแต่รู้ว่ามันต้องถึงแน่มันรู้เลย ร, รู้รู้รู้ตัวเองนั่นคือเข้าหาจิตแล้วนั่นระดับพระนาคามีแล้วทําให้ไม่ถึงจากโลกนี้ไปมันก็ไม่กลัวเป็นอะไรก็ได้เพราะจิตมันตามสอนกันเองได้ ธรรมะ ม, มันตามสอนจิตอยู่ก็ามาอยู่ที่นี่แหละมีวันโอ้วันหนึ่งอ่ะพยายามเดินจงกรมทำไมนะเราไปไม่ได้สักทีหนึ่งจีก็ว่างหมดแล้วไม่เอาอะไรแล้วในความตั้งใจอ่ะเดินไปเดินไปก็นึกขึ้นมาพอดีมีโยมคนหนึ่งเคยรู้จักกันเคยปฏิบัติดดวยกันในนู้นตอนทำงานอยู่นู้นนะเราสู้กันฟัง นึกขึ้นมา อ, อถ้าคนนี้เขาถามปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะตอบเขาอย่างไงนึกสอนเขานึกสอนเขามันก็ได้คําตอบของตัวเองขึ้นมาว่าโอ้ทำไมนะจิตเราว่างแล้วแต่เวลาเนี่ยเราเข้าได้เข้าเข็เขมทําไมมันไปไม่ได้มันมีอะไรปุ๊บเข้ามาแล้วก็มีปุ๊บปุปยุ่งยุ่งอยู่ในจิตเนี่ยนี่แหละวิบากกรรมของเราหรือมารมันไม่ยอมให้ไปมันมาบล็อกร่างกายลงมาสร้างอะไรต่ออะไรให้หลอกให้เราหลงอ่ะคราวนี้เราจับได้แล้ว โอ้โอันนี้เองอันนี้เองกดของแคเสเซ็ตขึ้นมาอัดเสียงพูดวันเนี่ยให้เราจะต้องเข้าหาจิตให้ได้เพราะเราจิตเราว่างอยู่แล้วเราจะไม่ไปดูไอ้ตัวปรุงตัวไอยุ่งยุ่งในสมองอะในจิตในอะไรที่มันวุ่นฟุ่นวุ่นวุ่นขึ้นมาโอ้มันทําได้สังขารหลอกลวงจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในเราก็ไปหลงยึดมันเองพรนั้นต้องปล่อยวางสังขารทั้งภายนอกภายในบางทีมาจากภายนอกก็ได้นะสังขารเนี่ยเราเห็นแล้ว บางคนนี่ทําไมมันไม่ดับเพราะสังขารภายนอกเรผิดหลงไปยึดมาจากจิตก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราปุุงขึ้นมาต้องเห็นว่ามันเป็นสังขารอย่างเดียวจากภายนอกภายในก็ช่างทิ้งเออจับทางได้แล้วทีนี้พอนั่งสมาธิเข้าไปก็เตรียมแค่เสร็จเลยถ้าไอ้นั้นปุ๊บเข้ามาเราก็จะกดธรรมะของเราเองสอนจิตเราเองอซ้ําๆไว้ด้วยกะเต็มที่เลยนะให้ความตั้งใจอนนี้มันก็จอดูจิตเนี่ยจอดูจิต เตรียมด้วยอันนี้ก็เตรียมรอไว้ด้วยตั้งอยู่ข้างหน้าท่าพอดีจิตมันพลิกปั๊บมันวางทุกอย่างหมดเลยถึงได้ว่าโอ้มันปล่อยโลกปล่อยทุกเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งไอตัวนั้นที่มันบุ๊บเข้ามาด้วยมันบุ๊บเข้ามาทันไอตัวนี้ก็ปล่อยตึ๊บตึ๊บตึบหยุดปุ๊บเนี่ยมันมันจะมีคําตอบขึ้นมาเราก็หยุดมันไม่ให้มันคิดต่อเพราะว่ากลัวมันจะไปหลงมันก็ว่างไปหมดเนี่ทนี้มันก็มีอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้ามา ในธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่มีทั้งฝ่ายดีฝ่ายดีเข้ามาพอมันเริ่มคลายคายออกฝ่ายที่มันไม่อยากให้เราไปมันก็เริ่มเข้ามามันก็รู้สึกว่าผิดหวังหน่อยๆกอมันทําให้เราไม่ได้แล้วแต่ทํากายได้ทีนี้พอเอาธรรมะมาฟังเราบอกโอ้เราเคยฟังธรรมะของครูอาจารย์บางองค์พูดเรื่องอื่นเข้าใจหมดแต่อยู่นย่เดียวว่าจิตบริสุทธิ์ไม่เข้าใจเอาวิชาดับไม่เข้าใจ ฟังปับ๊บอ้อจิตมันพุ่งเอามารับเลยนี่เองอันนี้เองอันนี้เองธรรมะอันไหนถึงมันจะออกมารับตอนนั้นนะอออันนี้เองอันนี้เองก็หมดความสงสัยตัวเองอุทานว่าอ๋อเราก็มาได้เหมือนกันมันก็ปลอบตัวเองอ้เราก็มาได้เหมือนกันไม่คาดคิดคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างนี้จินตนาการเอาไว้ผิดหมดเพราะนั้นยิงมีความอยากไม่ได้คาดคะเนเอาไม่ได้ ปฏิบัติอย่างเดียวเลยแต่ยี่ว่าไม่เคยถูกเราก็เคยอยู่วัดดอยทรรมาเจดีอยู่ดีๆก็มันว่างแล้วก็มีเสียงที่แรกก็พ้นพลเราก็ดูอยู่รู้ว่าไม่ได้พลแต่ว่ามันพลน พ, นพนเราก็คอยดูจากนั้นมันก็ความว่างก็มากขึ้นพลนพ้ น, พนามาเหมือนไปจิตของเราเลยโอ้มันทําได้นะเนี่ยมายาเนี่ยเออหรือเราจะพ้จริงๆเนะี่ยหลายวันเข้ามา แต่ว่าไอเราตั้งต้นเราเห็นตั้งแต่ทีแรกที่มันเข้ามาแล้วเราจะคอยดูกิเลสโผล่มาเมื่อไหร่เราจะเอามาอ้างมัน่ไม่เชื่อมันตั้ง15วันกว่าจะดับได้จากนั้นบอกตัวเองเลยว่าถ้าถึงอ้อมเมื่อไหร่เราถึงจะยอมรับได้ถึงจริงเลยไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอยากก็ปฏิบัติอย่างเดียวแต่รายละเอียดบางสิ่งบางอย่างก็เราไม่ได้เพราะมันไม่จาเป็นก็พูดเป็นแบบให้มันได้ประโยชน์ ส่วทดสอบทดลองอันนั้นอันนี้มันก็มีรายละเอียดของมันไปมันไม่จําเป็นอะไรที่จะต้องไปพูดมันนี่มาแก้จิตเราเนี่ยมันได้ปล่อยวางให้มันได้ไม่เอาอะไรสุดท้ายคือไม่เอาอะไรมุ่งปฏิบัติแต่ก็มีบางคนนี้เขาแค่ฟังทำไอซีดที่เราทําขึ้นมาที่โยมเขาทาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพระบางโยมบางเขาเห็นประโยชน์เขาก็มาทํามีคนที่เขาสนใจฟังฟังฟังฟังทั้งวันทั้งคืนก็ว่าฟัง ฟังทํางานก็ฟังพยายามขับรถขับเรือฟังเขาบอกจิตก็ขยับขยับขยับนี่คงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรามุ่งปฏิบัติตอนนั้นก็ครูบาอาจารย์ที่สอนเริ่มต้นเขาก็ไม่ให้อ่านมากไม่ให้ฟังมากด้วยมุ่งปฏิบัติผลหลายปีกว่าที่จะมาฟังธรรมะแต่มาฟังรู้สึกมันเบิกบานดีนี่แต่พอพ้นแล้วเนี่ยโอ้โหต้องมาอ่าน ไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนตอนแรกๆก็อสอนพูดเรื่องจิตเรื่องอะไรเดี๋ยวๆมันก็หมดแล้วในจิตเนี่ยก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมว่าศาสนาเป็นยังไงพระเจ้าสอนอะไรมากพอที่จะเอามาถ่ายทอดได้ยอมรับมาต้องได้ศึกษาของพรุทธเจ้าโอนี่เองสาวกเราไม่สามารถคิดเองได้เลยต้องเอาธรรมะของพพุทธเจ้ามาถ่ายทอด เรก็ปฏิบัติตามพรุทธเจ้ารู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องเอาธรรมะของพระุทธเจ้ามาถ่ายทอดเพราะเราเป็นสาวผลนั้นยิ่งอ่านมันก็ยิ่งอัศจรรย์ธรรมะของเจ้าบางอย่างก็พิสูจน์ได้บางอย่างพิสูจน์ไม่ได้แต่มันเชื่อหมดใจเลยเด็ดขาดเลยพระเจ้าว่างนี้จริงหมดมันจริงไม่กล้าฝืนเนื้อทำอะไรก็มั่นใจเพราะอะไรเพราะจิตของเรามันไม่มีอะไรอย่างเดียวคือช่วยพระศาสนา ช่วยศาษนาคือช่วยจิตของคนไม่ให้มีทุกข์พวกเอามนุษย์อะไรก็เอาโปดไปเท่าที่เราทําได้บุทิดบุญไปแผ่เมตตาไปบอกกล่าวอะไรไปตามเรื่องเราก็วันเราเนี่ยทาที่สุดของเราแล้วเท่าที่ศักยภาพของเราจะมีหมดแค่นี้แหละตายก็ไม่กลัวแล้วทีนี้จะเป็นยังไงก็เป็นพร้อมประชนกับทุกสิ่งทุก อ, อย่างมาเป็นวิบากกรรมของเราจบหมดเลยไม่หวั่นไหวอะไรอีกต่อไป สอนก็สอนไปได้มากได้น้อยก็เป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาเราก็วางอุเบกขาเพราะเราเป็นผู้สอนไม่ได้ไปทุกข์เป็นร้อนกับเขาไม่ติดไม่ข้องไม่หวังอะไรจากเขาด้วยแต่ว่าอยากให้พ้ทุกข์เพราะมันรู้ว่าอันนี้แหละมันเป็นเป้าหมายของชีวิตของทุกคนเมื่อผลทุกข์แล้วมันจะจบจบชีวิตเข้าใจชีวิตหมดจดเพราะนั้นระหว่างปฏิบัติก็คือไม่มีอะไรนั่นเอง ถ้าทําได้คือพอดีปล่อยเสียมันจะมาทางกายก็จะงงหัวมันมันแค่อยู่แค่กายจิตไม่ไปยินดีมีลายก็วางออกไปจิตมีกําลังมันก็ถอนปล่อยละได้วางได้ง่ายๆถ้าทําใจได้มันก็ง่ายแต่ทีนี้ไอ้วิบากกรรมมันก็ดึงอุย้ยเหนียวล้างจิตเหมือนตัวเองเคยถูกหลุมมาแต่สุดท้ายมันก็ต้องผ่านจนได้เพราะอยู่ที่ความตั้งใจของเรามึงมันบักบัน มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าให้ได้สรุปแล้วมันก็ลงมาที่ความตั้งใจยี่ความเพียรความพยายามความอดทนสู้ในเมื่อศาสดาของเราก็ต่อสู้มาเราสู้ได้ไม่ได้ไม่สาคัญแต่เราต้องได้สู้ก็เลยมาลงตรงนี้เพียรพยายามอดทนสู้พอสู้ไปสู้มามันผ่านไปได้โอ้ทุกคนต้องผ่านไม่ได้สิเอามากับเชื่อแบบนี้นะที่นี่ มันก็ไม่หมดกำลังใจที่จะสอนคนนั้นก็มีปัญหานั้นนี่ก็มีเพราะเราก็ผ่านมาหมดอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเข้าใจไปเลยโอ้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มากก็น้อยมันก็รู้ของมันจิตเนี่ยมันได้รู้ทีนี้เวลาติดอะไรก็รู้แต่ว่าเวลาจะหาทางออกบอกทางให้ได้แต่เวลาปฏิบัติต้องทำด้วยตัวเองนี่มันยากตรงนี้ทีนี้บางทีก็ทาได้ บางทีกว่าจะได้ก็ต้องใช้เวลาก็ต้องอดทนไปก่อนฝึกไปก่อนจนกว่าคุณสมบัติของจิตมันพอพร้อมมันปล่อยมันวางได้จะเอาทันทีทันใดมันไม่ได้ต้องตามลําดับลําดับมีขั้นมีตอนของมันเองแต่ก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่าต้องวางต้องปล่อยอะไรมาต้องปล่อยต้องไม่ติดต้องละอุปท า, านต้องไม่ยึดแต่พูดไปแล้วเวลามันเกิดขึ้นมาอนะมันไปยึดโดยไม่รู้ตัวเคสสังคารภายนอกมานี่ก็ไม่รู้แหละ มันก็สร้างขึ้นมาให้หลอกให้เราหลงไปจริงไปจังขึ้นมาได้สังขารภายนอกก็มีเสียงกระซิบก็ะซาบก็มามีหมดอะ่ะสร้างเวทนาขึ้นมาทําไม่ได้ตอนตื่นอยู่งี้มันก็ตอนหลับมันส่งสัญ ญ, ญาณเข้ามาใกล้จะหลับมส่งสัญญาณปุ๊บปุ๊ บ, บพอหลับปุ๊บมันก็สร้างเวทนาขึ้นมาจิตเราก็ไปผูกอยู่นั่งฝันไล่ๆอันนั้นอันนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาเราก็ทําสบายๆส ย, เ, ยเพราะเรารู้แล้วไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยก็ใช้กรรมไปดิ มันเป็นเรื่องสุดวิสัยอะแต่เราจะไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปยึดมันมันก็ทำให้เรื่องมันง่ายขึ้นเพราะเราปล่อยปล่อยวางเหมือนยิงเรื่องร่างกายมันจะบีบโน่นโน่นนี่นี่โอ้ยกายสุดท้ายมันต้องตายทิย้งเลยปล่อยเลยปวดหัวเป็นนั่นเป็นนี่มันจะดันบูบวาบอย่างนั้นอย่างนี้วิ่งไปวิ่งมาโอ้ยยิ่งปล่อยง่ายเราไม่ต้องไปคิดดูการักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินไยดูเฉ ย, ยเลย พอเราดูเฉยเราก็กลับมาหาจิตกลับมาหาจิตกลับมาจิตมันก็คลายออกคายออกคายออกตัวนั้นก็หมดกําลังไป ม, มันมีกําลังพรจิตรเราไปยุดเองจิตรเราไปหลงเองพอเราหลงปับไปพวกนั้นมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันก็ได้พลังของมันเหมือนได้อาหารนะพระนั้นวิธีของเขาพยายามที่จะบัทอนให้เราฟุ้งซ่านบ้างให้เรากลัวบ้างให้เรากังวลบ้างให้เราหวั่นไหวบ้างไม่เราเข้าสมาธิไม่เราปิดตัวของตัวเอง เราปฏิบัติไม่ได้ไม่ก้าวหน้าหน้าฝ่ายตรงกันข้ามหมดลองเชื่อผู้พุทธเจ้าเด็ดขาดต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายต้องเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นผ่านมาผ่านไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีตัวไม่มีตนเป็นแค่มายาการแล้วแต่เราจะสอนจิตเราคือไม่ยึดไม่ให้ลงไปรักษาจิตให้มั่นคงไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเกิดแล้วต้องดับเอาอะไรเราก็เอาธรรมะ มันยิ่งมาหนักเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าไปหาธรรมมากเท่านั้นเกิดแล้วต้องดับมันเพิ่งเกิดมันเป็นเราใช่เมื่อไหร่พราเราดูอยู่เนี่ยมายาทั้งหลายมันก็อยู่ข้างนอกหมเข้าหาจิตเราไม่ได้ถ้าเราไม่ยึดมันปล่อยอย่างเดียวยเราจะเกิดเกิดเลยเราจะเอาธรรมะเราจะปล่อยวางให้ได้เรามีาศาสด า, สาศาสดาสอนให้ปล่อยให้วางไม่ได้สอนให้ยึดให้ติดให้ของไม่สอนให้กลวัวไม่ให้กังวลไม่ให้หวันไหว ไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาให้ดูเฉยๆดูเฉยๆมันถึงจะรู้ว่าเอ้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราะเราเฉย อ, อยู่เนี่ยเราดูอยู่เนี่ยเรารู้อยู่นี่นี่ก็ทนอยู่ไม่ได้เพราะมันสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราหลงพราะเราไม่หลงมันก็จากไปหมดแรงสร้างต่อไม่ได้เราเตรียมตัวนะเตรียมตัวให้ดูเป็นโอกาสตายเลยนะดูแบบปล่อยเลยนะปล่อยไม่เอาอะไรเลยอะรู้แล้วกายกับจิตก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วอะ ก็นี่และปอยวางบูชาดับความเป็นตัวตนบูชาหรืออย่างน้อยก็สงบบูชามีสติบูชาเอาจิตเข้ามาอยู่ข้างในมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมบูชาข้านี้ก็ข้อโหสิกรรมนะเอาร้างออกไปให้หมดเลยนะยห้ค้างคาอยู่ในจิตใจนี่ชาตินี้ก็ตามเนี่ยเร็วเรวนี้ก็ตามในอดีต ขนาดไหนก็ตามล้างออกให้หมดเลยเราเองก็ให้อาภัยด้วยถือว่าเราเนี่ยตั้งปณิธานละสัญญาแล้วว่าเราจะให้อาภายัยขกรรมเราก็ขอโูสิกรรมหมดแล้วเนี่ยทําดีที่สุดแล้วเนี่ยทำมันยังมีอยู่ยอมรับทำมันหนักหนาจะให้ชดใชก้ก็เอายอมรับยอมรับทนี้คือใจไม่ทุกข์ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันนะอ่ะครานี้ก็ตั้งปณิธาน ทวนทวนให้มันฝังลึกเข้าไปในจิตเราอันนี้มีความสําคัญเราไม่ได้ทําเลนปณิธานก็คือความแน่วแน่ของจิตจะประสบความสําเร็จก็ต่อเมื่อจิตเราแน่วแน่ความตั้งใจที่แน่วแน่นี่แหละก็เรียกว่าปณิธานหรือการอธิษฐานจิตทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามความปรารถนาอะไรก็ตามต้องอาศัยความแน่วแน่ของจิตความตั้งใจแน่วแน่แล้วก็แผ่เมตตา อันนี้ก็เพื่อให้จิตเรามันดีขึ้นแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็อุทิศบุญ